บทที่91รพินไัยวันเลี้ยงเข้าหาต้นพริกยักษ์ที่มีลำต้นใหญ่แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะหาได้ในละแวกใกล้เคียงหลวงกระสุนอีกชุดหนึ่งขึ้นมาถือกรรมพร้อมไว้ในมือประสาททุกส่วนตื่นพร้อมแต่ใจเย็นสงบและสติมั่นคงมิได้วันไหวสะทกสะเทือนแม้แต่น้อยจากประสาทสัมผัสและเสียงครางอู้ที่ได้ยินราวกับพายุนั้นเขาเคยผ่านมันมาก่อนแล้ว และจำได้อย่างแม่นยำที่สุดมันเป็นเสียงตีนนับร้อยๆอยคู่ที่ตะกายมากระพื้นใบไม้แห้งและพุ่งพงของเจ้าสัต์ปีนมากชนิดนั้นซึ่งถ้าตัวมันยาวเพียงแค่คืบแค่ศอกเขาเคยรู้จักมันในนามของตักขาดแต่เมื่อมันยาวตั้งร่วมห้าสิบเมตรและมีลำตัวปานต้นรังอย่างเช่นที่เคยผจนกันมาแล้วแทบเอาชีวิตไม่รอดเขาก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรเหมือนกันละบัตรนี้ มันจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากไอ้โคตรตาคารชนิดนั้นแหละมันกําลังเลื้อเป็นพายุบุกแคมมาด้วยอัตราความเร็วสูงสุดของมันใบหน้าขึ้นเนินตรงเข้ามาเรากับจะได้รู้ว่าศัตรูฤทธิ์นิฉะนั้นก็เหยื่ออันโอชะของมันอยู่ที่นี่หลุมพัดจัดยอดเนินลงไปสู่ป่าเบื้องล่างมนุษย์เป็นฝ่ายอยู่เหนือลงพรานใหญ่จ้องตาอันคมกริบ สำรวจทางนี้ทีไล่ในรัศมีรอบตัวและจับจ้องไปยังปลายเนินอันเป็นตำแหน่งที่มาของเสียงอื้ออึงแผ่นดินสะเทือนนั้นไรเฟิลในมือถือชูปากกระบอกขึ้น45องศาพร้อมที่จะกดลงหาเป้าหมายใดๆก็ได้ภายในพริบตาเลือไปเบื้องหลังอีกครั้งบัดนี้เขาเห็นบุญคำกับดารินขึ้นไปเงื้องะพวะพวนอยู่บนเนินตะพักตอนหนึง่งอันเป็นบริเวณดงศักดิ์ บุญคำพยายามจะเอานายหญิงวิ่งรุดหน้าต่อไปให้ได้แต่ดารินไม่ยอมยังยืนปากหลักคอยทีอยู่ตรงนั้นไรเฟิล น, นีบอยู่ในซอกแขนโบกมือเรียกเขาอย่างกระวนกระวายพร้อมทั้งตะโกนกล้องลงมารับพินถอยขึ้นมาเร็วจอมพานโบกมือไล่ทำสัญ ญ, ญาณให้รุดหน้าต่อไปเร็วที่สุดตะลอนคงไม่ยอมพลพจากที่เดิมอยู่เช่นนั้นระดับที่หญิงสาวยืนอยู่สูงกว่าเขาขึ้นไปประมาณสาสิบเมตร และสามารถจะมองเห็นอะไรในวงที่กว้างไกลกว่าโดยเฉพาะในส่วนที่ลาดต่ำลงไปบุญคันตรงเข้ามาเร่งราวฉุดลากหลอนอีกครั้งเพราะเคยชิงกันดีกับคำสั่งของเจ้านายแต่แล้วก็ไายหลังล้มจำเบาลงเพราะถูกดารินผลัก อ, อกทิ้งเข้าไม่ได้นะเขาอยู่ที่นั่นเพียงคนเดียวหลนตะโกนเสียงหลงโอนายหญิงไม่ต้องห่วงพานใหญ่หรอกปรเดี๋ยวก็วิ่งตามามาทัน รีบไปตั้งหลักที่หน้าผา น, น, นั่นเถอะตรงนี้น่ะแมนอันตรายมากแต่ปืนสามกระบอกดีกว่ากระบอกเดียวนะบุญคำดารินแผดเสียงอย่างดื้อดึงระหว่างที่ทั้งสองกำลังยื้อยุดกันอยู่ฝ่ายหนึ่งจะปักหลักอยู่กัะที่ อีกฝ่ายหนึ่งพยายามจะลากตัวไปให้ได้เบื้องล่งสิ่งที่รอคอยอยู่ด้วยหัวใจอันเต้นระทึกก็ปรากฏกายของมันขึ้นส่วนศีรษะอันประกอบไปด้วยเส้นหนวดและเขี้ยวงงใหญ่มาคือมาโผล่ขึ้นมาก่อนรันแล้วชั่วพริบตาพื้นของชายเนินก็แลดูแดงฉานรอกรทฐานไฟเคลื่อนที่จากลำตัวที่เคลื่อนไตเนินตรงขึ้นมาและไม่ผิดอะไรกับกระแสทานของเท่าลาว่าที่ไหลทวนขึ้นที่สูง กระพิงกดลำกล้องไรเฟิลของเขาลงในทันทีนั้นพร้อมกับแตะไกลแมกนัมแอฟริกันระเบิดผานลำกล้องออกไปกลบสบรรพเสียงใดๆทั้งมวลลงมาหมดสิน้นตาทั้งตาดูเหมือนว่าจะทลายลงมาด้วยอานุภาพของลูกปืนผสมกับการดิ้นรนวัดว่าตัวอย่างเกลี้ยวกล่อมโกแคดของเจ้าตาขาโลกล้านปีจะเป็นเพราะความรีบร้อนในการยิงหรืออัตราที่มันผลที่ยานมาด้วยความเร็วปานลมพัดก็ไม่ทราบได้ กรสุนนับนั้นแทนที่จะพุ่งเข้าหาก้านคอปลับพลาดไปถูกลำตัวเบี่ยงออกทางแถบซ้ายส่วนหัวของมันมดตลบบิดตะแคงทะลายป่าแถบหนึง่งลู่ร่าไปส่วนยาวของลำตัวที่เหลือเถือกไถวาดวัดขึ้นมาเรากำมวนคลื่นและเห็นตีนยุ่มย่ามที่ตะกายอยู่ในอากาศและท้องเขามันฝ้าตูมสนมันลงบนพื้นตรงหน้าต้นพริกที่พรานใหญ่ซุ่มกำบังตัวอยู่ คสะเทือนของแผ่นดินทำให้เขาปังงะหลังจ้ำเบาลงทั้งยืนและพริบตาต่อจากนั้นมาหัวที่เบนบิดไปก็แวนกลับต ว, วัดทรวดเร็วเลยต้นพริกที่ราพินกำบังอยู่ขึ้นมาดวงตาที่ฝังอยู่ในศีรษะทั้งสองลุกแดงฉานเรากำมีดวงไฟเข้าไปจุดไว้เขี้ยวสยายอ้ากว้างกัดขย่อมพุ่งไม้เล็กๆเบืเ้องหลังจอมพรานขาดกระจุยออกไปเราก็ถูกดาบฉะ ด้วยความโกรธแค้นดุร้ายและมันก็พยายามตวัดส่วนหัวเข้าหาเหยือ่อผู้หลมลุกคลุกครานอยู่ให้ได้ไปขัดอยู่ที่องศาของการแวงตัวไม่สามารถจะกระทำได้นันัดกระพินเพนขึ้นวิ่งกระโจนข้ามโพงไม้ตรงเข้าหากลุ่มโตดหินที่เห็นอยู่ใกล้ที่สุดก่อนที่มันจะแวงหัวอีกครั้งเมื่อ น, นั้นเองจุด300เวทีมจากดารินวราริศ ก็ระเบิดกึกกล้องมาล่อนใช้ความรวดเร็วว่องไวสุดแต่ที่สะกดไว้ไม่ได้ก็คือความตื่นเต้นงานงกในระยะติดพันจวนตัวที่ระพินกระเจิดกระเจิงหลบกลิ้งตัวเพื่อหลีกมฤตยูนในขณะนี้เขาสามารถได้ยินเสียงหัวกระสุน220เกรนซึ่งพุ่งแหวกอากาศมาด้วยความเร็วสูงเจาะควานแหวกลาต้นอันใหญ่โตมโหลานปานสูงนั้น อย่างขนัดทันีเศษเนื้อและของเหลวค้นในร่างกายของมันไปอุ้กระจายขึ้นไปบนอากาศแต่มันหาประโยชน์อะไรมิได้เลยเพราะปันการยิงเจาะเข้ากลางลำตัวของไอสัตว์เซนต่ํ่ำเลือดเย็นจะมีก็แต่ยั่วยุทวีความโกรธแค้นดุร้ายแต่มันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเสียงมันคูลคคำรามฟาสนันนขึ้นเราก็สียงไอพ่นออกมาจากหัวรถจักร ล, ลำตัวส่วนหนึ่งที่มีตีนตะกายพลิ้วอยู่ก็ทับลงมาบนกลุ่มหินที่ระพินโดดก็ไปบังอยู่จอมแพร่รีบก้มล้ำตัวต่ําอย่างรวดเร็วก่อนที่ล้ำตัวส่วนนั้นจะกระแทกทับลงมามันติดค้างอยู่ในระหว่างยอดหินโดยมีเขาหมุดหลบอยู่ภายใต้และหินสองสามก้อนที่ขึ้นเรียงรายเป็นหมู่อยู่นั่นเองที่ช่วยป้องกันเขาไว้ไม่ให้ถูกบด ท, ทับแหลกละเอียดแตกบัดนี้ มันาพาดคล่อมอยู่เบื้องบนราวกับมีใครเอาหลังคามาปิดไว้บังแสงสว่างให้มืดมิดไปหมดครันแล้วก่อนที่เขาจะเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไรนั่นเองหูก็แว่วเสียงสะท้านของไรฟิลอีกสองนัด กำปนาตมาติดๆกันบุญคํากับดารินคงปล่อยกระสุนซ้ํามาอีกในเวลาไล่เลี่ยและถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของลําตัวมันยังถนัดถนีที่สุดแผ่นท้องส่วนหนึ่งที่ปิดบังอยู่เบื้องบนก็กระชากหูพล้นไปจากยอดหินเหนือศีสันหูก็แว่วเสียงตะโกนเอ็ดอึงฟังไม่เป็นภาษาของตาพรานเท่ากับนายจ้างสาวแทรกขึ้นมาจากเสียงคู้ํารามและเลื้อยตัวเป็นพายุสลาตันที่แวดล้อมอยู่รอบกาย ในขณะนี้คนทั้งสองจะร้องบอกเช่นไรเขาก็ฟังไม่ได้ถนัดในนาทีวิกฤตที่กําลังแสวงหาทางต่อสู้และเอาตัวรอดอยู่ในขณะนี้ระพินคลานจะออกทางซอกขินอีกด้านหนึ่งแล้วก็ต้องถอยกลับเพราะเลยเห็นลําตัวของมันส่วนหนึ่งเลื่อนลื้ออ้อมดักเป็นกําแพงอยู่ทางด้านนั้นพอหันกลับจะวิ่งออกทางด้านตรงข้ามก็ต้องทลา ง, งานหลังอีกครั้งบัดนี้ป่าทั้งป่า และไม่เห็นอะไรนอกจากลำตัวของไอ้ยักษ์มากตีนที่กำลังพันรอบกรุงหินที่เข้ามาหลบอยู่ดูราวกับว่ามันจะตะวัดเป็นวงกลมล้อมเข้าไวตรงกลางไม่สามารถจะคะเ น, นได้ถูกว่าด้านไหนเป็นส่วนหัวหรือหงางเพราะความใหญ่โตและระยะที่ใกล้ชิดเกินไปจากเนินของดงศักดิ์เบื้องบนก็ได้ยินเสียงปืนที่กระห น, นำ่ำยิงลงมาสนันวันไหวไม่ขาดระยะ ทั้งสองคนคงจะช่วยกันซันโวอย่างแข็งกะเวลาละคนไปกระเสียงร้องตะโกนฟังไม่ได้สับอยู่เช่นนั้นละพินกัดริมฝีปากแน่นคุ้มตัวกระชับปืนมั่นอยู่ริมก้อนหินตาขมเม่นมองออกไปยังลำตัวสีแดงคงล้ำประกอบไปได้วยตีนยุ่งยากนับไม่ถ้วนที่กำลังเล่นผ่านหน้าเขาเป็นวงกลมห่างออกไปไม่เกินสามสี่วาในขณะน้นแล้วตัดสินใจเด็ดขาดแม้จะไม่สามารถสังเกต ส่วนสำคัญใดก็ตามเขาอัดกระสุนเข้าใส่กลางลําตัวนั้นในระยะเผาขนนัดนึงงด้วยความรู้สึกที่บอกกับตนเองว่าเหมือนเอาก้อนอิฐเล็กปาเข้าใส่สุงใหญ่ทั้งต้นแต่อย่างน้อยที่สุดนัดนั้นก็บรนดาลผลให้เกิดขึ้นบ้างละลำตัวที่เห็นเลื้อยล้อมเป็นวงกลมอยู่กระชากวูกด้วยอาการกระตุกไปเบื้อหน้าโดยแรงมวลฝุ่นตลบอบอวนไปหมดริปตาต่อมา มันก็เคลื่อนสวนทางถอยหลังแล้วฟาดฟาดวูบวาบคลายตัวห่างออกไปจากการล้อมวนอยู่รอบโคดหินครั้นแล้วหัวใจของเขาก็แทบจะหยุดเป็นเมื่อเงยวูบขึ้นไปเบื้องบนเห็นส่วนศรีรษะของมันยกชูพ้นแนวก้อนหินที่กำบังขึ้นมาอย่างรวดพรดจอมพรานตะวัดลำกล้องไรเฟิลเข้าใส่แต่ก่อนที่เขาจะลั่นไกลออกไปนั่นเองอีกสองนัดจากไรเฟิลเบื้องบนก็ดังระสานกันขึ้น แทบจะเป็นเสียงเดียวน้กระสุนพุ่งผ่านขอบยอดขึ้ด้านตรงข้ามแล่นเข้ากระทบกลางท้องของมันขาสองสมอันที่กำลังตะกุยอากาศอยู่คาดกรเด็นปลิวไปพร้อมกันลำตัวท่อนบนที่ยกชูขึ้นก็ทิ้งโครมแผ่นดินสะเทือนลงไปกับพื้นอีกครั้งมีเสียงบิดตัวดินรนเหมือนโลกสิ่นั้นจะพัดลมลงทั้งแถบบาหักครืนโครมสนานวันไหว แหลกยับเป็นแปลงยอมพังกระโจนออกมาจากที่อับจนวิ่งหลีกล้ำตัวที่กำลังม้วนขดควัดแกงอยู่ไปมาอย่างบุบวิดจะถูกบททับแหลกเหลวไปพ่อแนบยังไม่คิดชีวิตไต่เนินตรงขึ้นไปยังโคกด้านบนซึ่งแบบนี้เลเห็นดารินก บ, บุญคํากำลังจ้าละวันกันอยู่บุญคําประทับปืนอยู่กับไหล่ลั่นตูมตมูลงมาอย่างไม่ยัง้งในขณะที่ดารินกําลังสาละวน ปันจุกระสุนทุกใบอย่างรลนแรงสียคนทั้งสองร้องเร่งอย่างเาวิ่งขึ้นเนินมาให้เร็วที่สุดกระพินกัดฟันรวบรวมกําลังเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดวิ่งตะกายขึ้นมาถึงโคนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งปับ๊บนั้นเองโอ้เขาก็แววเสียงป่าหักสู้เป็นพายุพระการดังไล่หลังมาจากปลายเนินอีกด้านหนึ่งมันเป็นคนละด้านกับไอ้ตัวแรกกําลังดิ้นพลาดอยู่ในขณะนี้ และยังไม่ทันจะหันไปดูเสียงหลงของดารินก็ดังมายัางโหนกตกใจขีดสุดระวังมันโทรตามขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วพระพินหันควักลงไปเป็นเวลาเดียวกับที่บุญคำกระโจนลงมาถึงดึงตัวให้ไตรุดหน้าขึ้นไปเขาจึงเห็นเพียงชั่วแวบเหมือนภาพอุปท า, านว่าเจ้าสัตว์ร้ายใหญ่ยักษ์พันเดียวกันกับตัวแรกอีกตัวหนึ่ง พุ่งปราดปราดพ้นเนินของดงพริกป่าขึ้นมาอย่างดุร้ายเกลียวกราบขนาดของมันย่อมกว่าตัวแรกเพียงเล็กน้อยแต่ดูเหมือนจะมีความว่องไวปราดเปรีวที่เหนือกว่ามากเพราะพอพ้นเนินขึ้นมาก็ไม่มีการหยุดรอรังหรือชะนักใดๆทั้งสิ้นมันเลื้อยพุ่งไล่ตามขึ้นมาด้วยความเร็วสูงสุดเรากลับจะรู้ถึงสถานการณ์โรมรันระหว่างมนุษย์กับคู่ของมันตัวแรกอยู่ก่อนแล้วไม่ต้องเป็นห่วงชั้น เอานายหญิงหนีไปก่อนเจ้าพรลตะโกนสุดเสียงตกกลางหลังบุญธรรมเต็มแรงเร่งเง้นล่วงหน้าขึ้นไปก่อนแล้วเวียไร้เฟินขึ้นไลระยะนั้นโปร่งโล่งไม่มีอะไรบังทั้งสิน้นและเห็นส่วนสีสากของมันที่พุ่งไล่เข้ามาอย่างถนัดทนีและบัดนี้ถึงตีเนินเบื้องล่างห่างลงไม่เกิน4ี่สบเมตรกาลังจะเยหน้าขึ้นมาตามแนวอันล่าชันของพื้นที่เขาเล็งดักหน้า แล้วกระดิกไก่แช่จุดสี่ห้าปดนัดที่สามซึ่งประจำอยู่ในรังเพลองในขณะนี้ทรายยศเส็จแล้วผลสืบเนื่องมาจากการที่แช่น้ำโชคมาเป็นเวลานานของเหตุการณ์เมื่อวันก่อนแล้วมันก็ดันมาด้านเอาในนาทีครับขันขิดสุดระพินไทยวันเย็นว่าบตั้งแต่เส้นผมลงไปถึงปลายเท้าตะโกนร้องบอกบุญคำในขณะที่ตนเองกระชากลูกที่ด้านออก ยิงเร็วตาพรามเท่ากำลังจะพละออกแลนหันหลังมายกปืนขึ้นอย่างตาลีตาเลือกแล้วลั่นไกพรานใหญ่รู้สึกเหมือนตายไปแล้วค่อมตัวเมื่อไรฟฟนจุดสาหของบุญคำมีเสียงเข็มแทงชนวนกระแทกลงไปในรังเพลงที่ว่างเปล่าและความรีบร้อนของแกที่มุ่งจะแล่นลงมาชุดตัวเขาทำให้ลืมบรรจุชุดใหม่แต่แล้วก็เหมือนสวรรค์ยังไม่ทอดทิ้ง เสียงตูมดังแทบจะฉีกแก้วหูมาจากจุด30ศูนย์เที่จากมือของดารินวราริปหล่นยิงผ่านศีรษะของรพินและบุญคำซึ่งกำลังลุกลนอยู่ในขณะนี้ลงไปวิธีกระสุนสูงกว่าระดับศีรษะของบุคคลทั้งสองเพียงซอกเดียวจนสัมผัสถึงไอรอนวูบจากกลุ่มแก๊สที่พุ่งดันตามหลังกระสุนนั้นนัมาเพราะปากกระบอกห่างเพียง45หวาในแนวตรก ภาพที่เห็นส่วนศีรษะที่กำลังแตะเนินกำลังจะไหลทวนความชันของพื้นขึ้นมาหยุดชงงะงักกึกความยาวของลำตัวที่ตามกันมาด้วยแรงส่งเสียหลักจากทิศทางแนวตรงคำหวดม้วนงอเป๋ไปครั้นแล้วมันก็ยกหัวชูขึ้นจังหวะนี้เองนัดสุดท้ายในวินเชสเตอร์ของระพินก็สัมผัสกับเข็มแทงชนวนอย่างชนิดเสียงบุญเสียงกรรมของคนยิง มันจะด้านอีกหรือไม่เขาไม่อาจทราบได้ก่อนที่จะลั่นไกออกไปตุป้มพิษตาที่กระสุนนัดนั้นทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องและตัวคนยิงซึ่งยืนอยู่อย่างหลักไม่ดีก้นกระแทกลงกับพื้นดินล่าชันเบื้องหลังอย้ยักษ์ต็มมากซึ่งกําลังชูหัวร่อนราอยู่ห่างลงไปเพียงไม่เท่าใด เอนพงหนกไปเบื้องหลังราวกระถูกหัดอันทรงพลังของเทพเจ้ากระทุแล้วมันก็ตะแคงฟาดลงไปกับพื้นปีนเนินพลิกสะบัดสามสีท่ทอดเห็นท้องขาวกับหลังอันเป็นสีแดงคลำ้ำสลับกัน กระพินไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาอาการของมันอยู่เพราะไม่สามารถจะไว้วางใจอะไรได้ทั้งสิน้นสำหรับไอสั์เลือดเย็นประเภทนี้รู้สึกแต่เพียงว่ากระสุนพุ่งเข้าไปเจาะใต้ลำคอในระดับกลางพอดีแต่จะกินสูงระเบิดออกกลางสีสะอันเป็นเป้าหมายเฉียบขาดหรือไม่นั้นไม่อาจบอกได้ในขณะนี้แพนใหญ่ตะกายลุกขึ้นวิ่งตามหลังบุญคาซึ่งแจนขึ้นไปก่อนแล้ว จังหวะที่เขาไต่เนินพาตัวหนีขึ้นไปอย่างรีบร้อนนี้ก็มองเห็นดารินประทับไรเฟิลของหล่อนเล็งอย่างหมายมั่นแล้วกดซ้ำลงไปอีกผลการยิงจะเป็นอย่างไรไม่อาจเลี้ยวกลับไปดูได้และทั้งเขาและบุญคําก็ห่อมาถึงตะพักตรงที่หญิงสาวยืนรอคอยอยู่ก่อนทั้งสองคนรีบบันจุกระสุนอย่างรีบร้อนแข่งกับความเป็นความตายหันกลับลงไปมองเบื้องหลังเจ้าตัวที่ถูกกระสุนของดารินยับยั้งอยู่ตีเนิน ยังคงดิ้นม้วนตัวทุรนทุรายอยู่เช่นนั้นผงคลีและเศษใบไม้แห้งตลบฟุ้งไปหมดระคนไปกับเสียงป่าถลม่มตูมตัดส่วนห่างออกไปบนพื้นราบอันเป็นโดงพริกป่าเจ้าตัวแรกที่แทกไถไปก่อนและคาดว่าน่าจะหมดฤทธิ์ไปแล้วบัดนี้ปั้งตัวได้อีกส่งเสียงครูคำรามฟูฟาสนันวันไหว อินยุ่มย่ามราวกับใบพ า, ายของพวกฝีพายเริ่มพุ้ยตะกายดินอีกครั้งนำลำตัวอันใหญ่โตรงดิ่งรุกไล่เข้ามาอย่างไม่ลดละทมกลางความตะลึงพึงเพิดตกใจท้าหมดสติของทั้งสามมันยังไม่ตายมันไล่ขึ้นมาอีกแล้วด้ารินร้องแหลนอย่างลืมตัวกายสั่นเร่าไปหมดระพินฉุดแขนออกนำวิ่งไปเนินป่าศักต่อไป ด้วยเร็วแรงของคนที่หนีเพื่อเอาชีวิตรอดบุญคำหันไปยิงอีกนับหนึ่งซึ่งแทบจะไม่มีผลอะไรเลยแล้วก็วิ่งหัวซุกหัวซุนตามหลังขึ้นมาเสียงขาหรือตีนนับรอยๆที่ระกายพุนดินสู้สา่ากวดไล่หลังมาในหูของทั้งสามคนขณะ น, นี้ฟังไม่ผิดอะไรกับมัดยุราชคำรามหาชีวิตตันงเม็ดเหนยกันแทบจะขาดใจแต่ก็ไม่อาจหยุ ด, ดรอิ่งช้าได้นอกจากวิ่ง วิ่งแล้ววิ่งไปเร็วที่สุดเท่าที่กำลังจะมีอยู่ดารินล้มลุกคลุกคลานอยู่สองสามครั้งแต่รพินกับบุญคำช่วยกันหิ้วปีกจุดกระชากนำวิ่งต่อไปอย่างทุลักทุเล ข, ขีดสุดคั้นแล้วบนทางชัน60องศาก่อนที่จะขึ้นมาถึงระดับพื้นราบชิดกับบริเวณหน้าฐานั่นเองดารินก็ล้มถลยลื่นลงอีกครั้งแล้วเสียหลักกลิงลุนล น, น, นสวนทางลงไปเบื้องต่ำ รพินผู้ตตยตามขึ้นมาไปติด ต, ต, ตะครุบตัวไว้ได้อย่างบุญวิตไร่เฟินจุดส0 0ของหล่อนประเด็นพลัดหลุดจากมือลงไปเบื้องล่างหญิงสาวร้องเสียงหลงยังตกใจหยุดชนะกอยู่กับที่ลืมตาโพลงจ้องตะลึงตามปืนที่กลิงล้งลนลงไปพร้อมกระเศดดินระพินกระ บ, บุญคำก็พลอยชนะลงชั่วอึดใจหนึ่งเหลียวไปมองโหเบื้องล่างห่างลงไปเพียงไม่เกินสามสิบเมตร สัตว์เลื่อนทางยุคโลกล้านปีกำลังเลื้อยสายหัวไล่ติดเข้ามาพร้อมๆกับกรงเขี้ยวที่ขยับอยู่ไปมาอย่างไมายมันการเคลื่อนที่ของมันแบบนี้แม้จะดูเช่อช้าลงกว่าเตาก็ากาตามแต่เมื่อเทียบกับมนุษย์ตัวเล็กๆมันก็เร็วกว่าหลายเท่านักไม่ต้องห่วงปืนนี้ต่อไปเข้ากระชากแขนหล่อนสุดแรงเกิดปะโกนกรอกช่องหูญิงสาวสติกลับคืนมาสู่ตัว กัดฟันรุดหน้าขึ้นไปด้วยกำลังช่วงสุดท้ายของชีวิตจอาพรานร้องสั่งให้บุญคำเป็นพี่เลี้ยงประคองฉุดหญิงสาวล่วงหน้าขึ้นไปก่อนตอนเองหันกลับลงไปรับหน้าอีกครั้งกัดกรามแน่นมือที่ถือปืนสั่นดิกเพราะความเหนื่อยจนแทบหายใจไม่ทันไม่ใช่แต่ตัวแรกที่เลื้อยรุกไล่ติดตามขึ้นมาอย่างกระชั้นชิดเท่านั้นเจ้าตัวที่สองซึ่งพลิกความพลิกไหนอยู่ชายเนิน บัตรนี้ก็กำลังลากตัวอันยาวเฟื้อยกระดึบตามขึ้นมาด้วยความอาฆาตพยาบาทและทรหดขีดสุดลูกปืนของบุคคลทั้งสามที่ระดมยิงอย่างหนักหน่วงดูจะไม่มีอนุภาพพอที่จะหยุดยั้งมันได้เลยระพินไพรวันยืนปักหลักประจันหน้าในนาทีคับขันขีดสุดปองใจเด็ดขาดว่าผากระสุนนัดนี้ของเขาพลาดไม่ว่ามันจะเกิดทรยศ ด, ด้านขึ้น หรืออันเนื่องมาจากยิงผิดจากจุดหมายสำคัญเรื่องที่จะอยู่เป็นคนต่อไปไม่ต้องหวังและเขาก็ยอมเสี่ยงแล้วสุดลมหายใจเข้าปอดแล้วสะกดกั้นไว้ประทับปืนเล็งระยะมันสายหัวเข้ามาบัดนี้ห่างเพียงไม่เกินสิบห้าเมตรมองไม่ผิดอะไรกับภาพของปีศาจในฝันรายแต่ก็เห็นเต้าส่วนหัวชนิดส่วนหน้ายางขนาดนีที่สุด แล้วหัวกระสุนน้ำหนัก500เกรนแรงประทะ 5,000 กว่าปอนด์ก็ระเบิดบึ้มขึ้นพุ่งเข้าไปในระหว่างดวงตาทั้งสองข้างด้วยพลังที่ไม่ได้ศูนย์เปล่าไปเลยเพราะเป้าหมายอยู่ห่างปากกระบอกเพียงไม่กี่วาเท่านั้นและในแนวตรงเช่นนี้มันคงจะแล่นทะลวงตลอดผ่านจากศีสะเข้าไปในลำตัวสุดแต่ว่าแรงส่งจะผลักดันเข้าไปได้แค่ไหน ไอ้โคตระขาบซึ่งเต็มไปด้ยวยความดุร้ายกระหายชีวิตตัวนั้นหยุดผางลงอย่างกระทันหันราวกับมีอะไรมายันไว้ศีรษะราบนิ่งกับพื้นคงมีแต่ส่วนปลายของลำตัวเท่านั้นที่วัดว่าเปะปะอย่างเช่มช้าครึ่งอึดใจต่อมามันก็พลิกทะไหลเลื่อนลงไปขาติดอยู่กับซอกหินใหญ่ประมาณหนึ่งในสามของความยาวทั้งหมดทางด้านหัวพลิกหงายทอง คง ม, มีแต่ตอนปลายเท่านั้นที่วางนิ่งอาการปกติสุครามไม่ได้ยุติลงเพียงแค่นี้ยังไม่ทันจะได้หายใจ ผู้ของมันตัวที่สองก็เลื้ยผ่านลำตัวของเจ้าตัวแรกกวดไล่ขึ้นมาอย่างไม่ยอมลดละล่าถอยแต่คราวนี้นรกโลกรือวิญญาณอันชั่วร้ายใดก็ไม่ทราบได้สอนให้มันมีวิธีการที่ฉลาดยิ่งขึ้นเพราะไม่ได้เลื้อยไล่ขึ้นมาในแนวตรงเพื่อเปิดโอกาสให้เห็นส่วนหัวได้อย่างขนัดหากแต่เลื้อยเลาะลัดบังมาทางหมูโขดหินมีอาการเหมือนจะอ้อมสกัดหน้าเห็นเฉพาะลำตัวเท่านั้น ระพินขยับปืนแต่แล้วก็ไม่อาจปล่อยกระสุนออกไปได้พราะกันหนักดีว่าทํามไม่ใช่ส่วนสมองอนันเป็นเป้าหมายเฉียบขาดแล้วการยิงมีแต่จะเปลืองกระสุนเปล่าเขาปะกายขึ้นมาจนถึงพื้นราบตอนบนซึ่งบัดนี้ดารินก บ, บุญคำจูมือวิง่งหันหลังล่วงหน้าไปก่อนแล้วระดมแรงออกแล่นกวดตามไล่หลังไปปากก็ตะโกนบอกให้ทั้งสองตรงไปยังหน้าผาอันไม่ห่างออกไปนัก แล้วก็ได้ยินทั้งสองบอกโวยวายเตือนให้ทราบถึงมหันตภยัยที่รุกไล่กระชั้นชิดมาเบื้องหลังระพินไม่ยอมหันกลับไปดูเพราะไม่มีประโยชน์อะไรซะแล้วกัดฟันวิ่งไปเบื้องหน้าย่างเดียวสัญชาตัยานเตือนให้ทราบว่าในระดับพื้นราบเช่นนี้ถ้ามันเลื้อยตามขึ้นมาถึงเมื่อไรมันย่อมไล่ทันเมื่อนั้นบางทีอาจจะทันก่อนที่ทั้งสามชีวิตจะทันปีนขึ้นเขา ซึ่งหวังยึดเป็นที่พึ่งแหล่งสุดท้ายเบื้องหนะ้าบุญคำเองก็พาวะผวาพวังเหลือที่จะกล่าวหนจะห่วงพานนายหญิงหนีไหนจะห่วงพรานใหญ่ผู้รังทายและมองเห็นอยู่ชัดว่าไอ้มัจจุราชมากไปอินกำลังลื้อกลัวตามาอย่างบุบวิดกระชั้นชิดแก่หันมายิงสกัดอีกสองนัดเป้าหมายไม่ได้ตำแหน่งที่ดีอะไรมากไปกว่าส่วนลาตัวซึ่งก็กาหนดไม่ได้เสียด้วยว่าเปลาตัวส่วนไหน เพราะมันเลือเล้อยเลาะบังอยู่ในระหว่างหมู่ก้อนและในที่สุดปาพรานเท่าก็ยิงจนหมดแมกกาซีนไปอีกครั้งโดยไม่ทำให้มันสะดุ้งสะเทือนแม้แต่น้อยระหว่างที่วิ่งอกตั้งอยู่ ระพินก็ใจหายว่าเมื่อมองเห็นลำตัวอันแดงฉานกำลังเลื้อยคู่ขนานอยู่กับเขาทางกลุ่มโขดหินด้านขวามือห่างออกไปเพียงยี่สิบเมตรมันตามทันเขาแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้แวงหัวออกมาให้เห็นเท่านั้นวิ่งไปทางซ้ายเขาตะโกนบอกสองคนที่ล่วงหน้าไปก่อนจนหมดเสียงพร้อมกับโบกมือเป็นสัญญาณให้ทราบทิศทางตัวเองก็เปลี่ยนเข็มเบนพละออกทางด้านซ้ายมือพยายามนตัวไปห่างมันที่สุด ดารีละบุญคําหันมาเห็นภาพนั้นอยู่แล้วและเข้าใจดีที่สุดว่าหนทางรอดหรือการที่จะยืดชีวิตออกไปนั้นควรจะมุ่งไปในด้านใดหากกันเลี้ยวจากเส้นทางตรงแยกไปทางด้านซ้ายมือในทันทีต่างส้มซางกระเสือกกระสนปิมว่าจะขาดใจในที่สุดนายจ้างสาวกับตาพรานเท่าก็มาถึงชายผาซึ่งอุดมไปด้วยพุ่มไม้และก้อนหินใหญ่น้อยภายใต้งเงาปกคลุมของต้นสักใหญ่ ทางนั้นลาดชันขึ้นไปเกือบ90องศาแต่ต้นไม้เล็กๆที่ขึ้นอยู่เป็นระยะประกอบกับแง่ของก้อนหินที่โผล่ยื่นออกมาเปรียบเสมือนขั้นบันไดให้พอจะตะเกียกตะกายปีนไต่กันขึ้นไปได้แต่ก็ไม่เร็วนักเสียงฟังแทบไม่เป็นภาษาคนของรบพินร้องบอกให้ปีนหนีขึ้นไปเบื้องบนบุญคำซึ่งบัดนี้ตัวแกเองก็เหน็ดเหนื่อยเสียแทบหมดกาลังกระดิกกระเดียผลักใสส่งนายหญิงให้ปีนล่วงหน้าขึ้นไปก่อน ดารินบัตนี้มีแต่ตัวเปล่าเพราะไรเฟิลพลัดหลุดมือไปแล้วช่วยให้ปีนตายแคล่วคล่องขึ้นตรงข้ามกับตาพรานเท่าผู้เกะกะทวงหนักปืนแต่แกปีนพลาดทะไหลลื่นทุลักทุเลอยู่เช่นนั้นแล้วก็ใช้พานท้ายไรเฟิลทิมยันลงกับพืน้นแทนไม้ถอ่อค้ำตัวขึ้นไปอย่างไม่ยอมทิ้งปึกทันทีนั้นเองระพินก็โกลีอา้าวมาถึงก้อนหินที่บุญคํากําลังยักแย่ยั ก, ย, กยันอยู่พร้อมกับมฤตยูมากตีน ที่เลี้ยวไล่เข้ามาติดๆหินปืนไว้ตามนายญิงขึ้นไปเลยที่สุดทรานใหญ่ร้องกระหืดกระหอบแทบไม่มีเสียงบุญคำดีอยู่อย่างหนึ่งที่ถือหลักปฏิบัติตามคำสั่งเขาอย่างเคร่งครัดที่สุดโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลส่วนตัวใดๆทั้งสิน้นโดยเฉพาะในนาทีคับขันแต่สรไรเฟิลจุดสามเจ็ดห้าที่เป็นภาระเ ก, กะทวงหนักอยู่ในมือทันทีโดยโยนลงมาตกลงกับพื้นตรงหน้าเขา แล้วรีบปีนตามนายหญิงขึ้นไปโดยเร็วพระพินยืนเอาหลังพิงก้อนหินอ้าปากขอบขุมเชิงเป็นกองระวังหลังด้วยความหวังครั้งสุดท้ายบัดนี้เขาหมดเรี่ยวแรงแม้แต่จะพูดได้แต่เง้ยมองขึ้นไปเบื้องบนซึ่งคนทั้งสองกําลังไต่นาตัวสูงขึ้นไปเป็นลําดับทางเหลียวมองลงมาอย่างเป็นห่วงได้แต่โบกมือเร่งร้าวให้ใหนีสูงขึ้นไปอีกโดยไม่ต้องร่างรอ ดารินไปหยุดชะ ง, งักอยู่ที่ชะ ง, ง้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งที่โผรโยื่นออมาเป็นเสมือนชายคาหล่อนหันตัวกลับมามือหนึ่งยึดลำต้นของต้นไมเ้เล็กๆไว้อีกมือหนึ่งกระชากเบื้องสั้นจุดสาห้าเจที่ติดเอวอยู่ออกมาด้วยสัญชาตยานของนักสู้แบบสุดใจขาดดินเสียงหล่อนร้องบอกอะไรกับเขาลงมา่พนใหญ่ฟังไม่ได้ยินใชแล้วสาหรับหูที่ลั่นอื้ออยู่ในขณะ น, นี้เขาเคลื่อนขยับถอยไป ยึดอยู่ในตำแหน่งที่ถ น, นัดที่สุดหลากปืนของบุญคำที่ทิ้งไว้ด้วยมาอีกระบอกหนึ่งท่ามกลางแสงขมุกขมัวโผล่เพลของตะวันชิงพลบหินสว่างสวัยราวกบไฟนรกก็แต่เฉพาะลำตัวของเจ้าสัตว์โลกันที่กำลังเลื้อยเลาะเลียบกำบังกอไม้และก้อนหินตีโอเข้ามาเท่านั้นและมันก็ดูเหมือนจะร้วฝ่ายมนุษย์กำลังมาจนมุมอยู่ยังบริเวณตีนผานั่น อาการเคลื่อนตัวของมันในครั้งนี้ไม่ได้รีบเร่งใดๆทั้งสิน้นหากแต่เป็นไปอย่างเช่นช้ า, ชาบางขณะก็หยุดเหมือนจะดูเชิงฉะนั้นระพินจ้องตาไม่กระพริบพยายามสำรวจไปตามแนวความยาวของลำตัวที่เห็นลับๆล่อๆพลูลลลๆหายๆอยู่ในระหว่างพงไม้รอบดาแล้วก็รู้สึกว่าตนเองถูกลำตัวของมันโอบล้อมไวแล้วในลักษณะครึ่งวงกลม บีบไว้ติดกันหน้าผาชันโดยไม่มีทางจะเล็ดลอดออกไปได้สิ่งที่สร้างความขนพองสยองกล้าวที่สุดนอกจากลักษณะของลำตัวที่เห็นเป็นปล้องและขายุ่มย่ามหน้าสยดสยงเหล่านั้นแล้วคืออาการขยับขยื่นกายอย่างมีเลสส็ดสันในของมันบางคณะก็เคลื่อนหน้าบางคณะก็ถอยหลังเหมือนกระโดินรถไฟที่รอการสับปเปลี่ยนรางทุกครั้งที่มันขยับขยืขย่นตัว เสียงแผ่นดินลั่นกราวละร้ายที่สุดตรงที่เขาไม่สามารถจะคเนดได้เลยว่าด้านไหนเป็นส่วนหัวหรือหางดารินผู้อยู่เบื้องบนในขณะ น, นี้ก็คงจะตกอยู่ในฐานะเดียวกันกับเขานั่นเองลอนกรุงปืนสั้นอันเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายที่ติดตัวอยู่แน่นกระชับพยายามกวาดตาค้นหาลงมาเบื้องล่างแต่ก็ไม่สามารถจะลั่นกระสุนได้เพราะมองไม่เห็นส่วนหัว ไหลอึดใจเต็มเต็มเป็นการพักเหนื่อยและควบคุมตั้งสติของเขากระพินย่องย้ายที่อีกครั้งอ้อมไปทางด้านหลังของหินก้อนใหญ่ที่กำบังตัวอยู่แล้วหัวใจก็เต้นแรงเมื่อสังเกตเห็นปลายหนวดของมันโผล่แผลมออกมาจากรอยโหวกของพุ่มไม้ทึบตอนหนึ่งห่างออกไปเพียงไม่เกินส0สบเมตรจอมพรานยันปลายท้าแมกนัมแอฟริกันเข้ากลาัล นิ้วแต่ไกลรอคอยโอกาสสำคัญที่สุดขณะใดขณะหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ที่มันอาจพโพรส่วนศีรษะออกมาให้เห็นแม้จะเป็นด้านข้างก็ตามและนั่นคือโอกาสอันหายากของเขาเดี๋ยวก็แทบจะต้องสะบดออกมาอย่างผิดหวังเมื่อปลายหนวดที่เห็นแกว่งไกวอยู่ทั้งคู่ค่อยๆกระถดถอยหายลับเข้าไปในเงาบางของหมู่ไม้ มันคงเคลื่อนตัวถอยหลังเขากวาดมองไล่แนวไปตามเส้นทางที่คเนว่าลำตัวของมันทอดโอบอยู่แล้วก็เห็นรอยโหวในระหว่างกลุ่มหินอีกตอนหนึ่งห่างออกไปอีกซึ่งลำตัวยาวเท่าท่อนซุงขนาดใหญ่ทอดผ่านให้เห็นสายตาจ้องไปที่นั่นไม่กระพริบถ้ามันยังเคลื่อนถอยอยู่เช่นนั้นส่วนศีรษะของมันก็จะต้องโผล่ให้เห็นทางรอยช่องนั้น ศูนย์ไรเฟินจึงเปลี่ยนไปจับรอคอยจังหวะอยู่ที่นั่นแต่และบัดนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็เสียจังหวะไปหมดเมื่อเสียงปืนสั้นจุด3 5หจากดารินแผดกึกก้องขึ้นก่อนและบัดใจเดียวดายแผ่นดินแถบนั้นทั้งหมดก็แท่จะพลิกความถล่มทลายลงอีกครั้งเสียงพลิกตวัดตัวอย่างรุนแรงสนั่นอึงขึ้น พร้อมกับเสียงขูคำรามฟาและอีกสองเปรี่ยงที่ลั่นมาติดๆดกันหินก้อนขนาดเท่าครกและกิ่งไม้ใบไม้กระเด็นว่อนขึ้นไปบนอากาศด้วยอิทธิฤทธิ์การดิ้นโดมสะบัด ต, ตัวแวกมีที่ระพินผู้ตะลึงงานแลเห็นส่วนปลายของท่อนหางเวียงขึ้นไปบนอากาศสูงเหนือกว่ายอดหินที่เขาหลบกำบังอยู่แล้วฟาดลงไปกับพื้น จากนั้นส่วนอื่นๆของลําตัวก็โกงสูงขึ้นมาให้เห็นเป็นระลอกราวกับคลื่นหมดโอกาสที่เขาจะรอคอยอีกต่อไปแล้วจอมพลนกระดิกไกลทันทีกระนํากระสุนเข้าใส่ส่วนที่เห็นนั้นโดยกาให้กระสุนตัดผ่านเข้าระดับกึางกลางลําตัวเขายิงอย่างรวดเร็วที่สุดและดูเหมือนนัดหนึ่งจะได้เป้าหมายส่วนที่ใกล้เคียงกับศีรษะยังเพราะการพังโงหัวร่นราขึ้นมาของมัน พหุตัสูงในแมกกาซีนก็ชวยจุด 3-7-5 เจห้าของคุณคำขั้นแทนแล้วคราวนี้ก็มองเห็นหัวอันประกอบไปด้วยเขี้ยวหน้าสะพึงตัวของมันอย่างถนัดชัดเจนที่สุดกำลังเสือกปราดมาบนยอดก้อนหินอุ่ตรงเข้าใกล้เขาผู้เป็นเหยืออใกล้ชิดและมันจ้องคอยมากที่สุดอยู่ก่นแล้วในลักษณะจู่โจมพันตุนรกจกกระเปดอะไรเช่นนั้นก็ไม่ทราบ ไรฟนของบุญคำไม่ได้มีกระสุนบรรจุอยู่เลยแม้แต่นัดเดียวอารามที่มัวแต่วิ่งหนีเอาตัวรอดคงทำให้ตาพรานเท่าไม่มีโอกาสหรือมิฉะนั้นก็ลืมนึกที่จะบรรจุกระสุนชุดใหม่เข้าไปเพราะเหตุการณ์ฉุกระหุกจนตั้งตัวไม่ติดยอมพรานโยนปืนทิ้งกระโจนขึ้นเหนียวกิ่งไม้เหนือสีษะไกวตัวขึ้นไปบนยอดหิ่นที่งอกอยู่ริมผา อย่างชนิดแม้ลิงในขณะนั้นก็คงไม่ไต่ได้เร็วเท่าเขาเบื้องหลังไอ้มหาการจะเข็นเขี้ยวไล่งับเข้ามาเช่นใดน้่งมองไม่เห็นรู้แต่เพียงว่าดารินผู้ยืนเห็นเหตุการณ์ทุกระยะเบื้องบนพลนกระสุนปืนสั้นในมือสวนลงมาสนั่นวันไหวโดยไม่นับพร้อมกับส่งเสียงโวยวายเอ็ดอึงมาไม่เป็นภาษาของบุญคาบางทีอาจจะเป็นเพราะกระสุนปืนสั้นสามนัดหลังของดาริน ที่ช่วยชีวิตของเขาไว้พอให้ตะเกียตกตะกายโหนตัวขึ้นมาจนถึงระดับที่ยืนตับตาเท่ารอคอยอยู่ก่อนที่จะถูกคมเขี้ยวบันร่างกายให้ย่อยยับไปอำนาจของกระสุนจุดสถึงแม้แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับสัตว์เลือดเย็นที่มีร่างกายใหญ่ยักษ์ถึงปานนั้นแต่ยังน้อยที่สุดก็รบกวนสกัดกั้นใ้การพุกไล่ของมันเชื่องชาลงกว่า บุญคำเป็นคนเอื้อมือลงมารับและฉุดกระชา้าเขาให้เซหัวปักหัวตามขึ้นมาบนชานหินเรียบบริเวณแคบๆนะั้นดารินคว้าคอเสื้อด้านหลังไว้ครึ่งหิวครึ่งดึงให้เข้าไปนั่งพิงอ้าปากหายใจอยู่กับผนังหินแล้วตัวหล่อนเองก็ลนลานเปิดลูกโม่ออกคัดบอกกรสุนเก่าทั้งหกนัดออกทิ้งรีบบรรจูชุดใหม่เข้าไปยังแข่งกับเวลาแทบไม่หายใจ แต่อันเนื่องมาจากปืนสั้นของหลอนเป็นรีวอลเวอร์แบบซิงเกิลแอคชั่นการเปลี่ยนและบรรจุชุดใหม่จึงทำให้เสียเวลาล่าช้าอย่างยิ่งโดยเฉพาะในวินาทีแห่งความเป็นความตายเช่นนี้ยิงสาวรีบพรอนซึ่งจนกระทั่งกระสุนพลัดหล่นจากมือตกกระจักกระจายเรี่ยราดอยู่กับพื้นทำให้ต้องร้องลั่นออกมาอย่างขัดใจยิ่งรีบเท่าใดก็ยิ่งดูเหมือนจะทาให้ช้าลงเท่านั้น ทางกลางใจที่ร้อนร้าวกับไฟเผาปืนสั้นของคุณรัทินปืนสั้นหลอนละล่ำละลักเป็นอยู่เ่าเล่าเมื่อเลเห็นสีสันใหญ่โตซึ่งเบนสะบัดไปด้วยอำนาจกระสุนชุดหลังของหลอนเริ่มพงงกชูขึ้นแล้วเคลื่อนทือเข้ามายังไม่ยอมเปิดโอกาสให้ตั้งตัวใดๆได้ทั้งสิน้นระยะมันจวนตัววูดวิดเข้ามาเต็มทีบุญคาขนาดนี้ทาอะไรไม่ถูกทั้งสิน้น ได้แต่วิ่งเข้าไปประคองนายใหญ่ไว้ด้วยอาการงกเงินรพินนั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยแทบหัวใจหยุดเต้นเพียงไรก็ยังสติดีพอที่จะมองเห็นหน้าการนั้นเต้นร่าของดารินในขณะนี้ได้เขาล่วงมือเข้าไปในยามหลังควานหาจุดซี่ีแม็กนั่มประจำตัวแล้วโยนไปให้หญิงสาวอย่ามัวแต่บันจุเขาร้องบอกอย่างยากเย็นดารินคว้าปืนสั้นที่รพินโยนมาไว้ให้และโดยฉับพลันนั้น หล่อนก็โยนปืนของตัวเองที่บรรจุไม่เรียบร้อยแลกเปลี่ยนไปให้เขาเพื่อทำหน้าที่บรรจุต่อต้นเองถือด้ามจุด4ี่แม็กนัมไว้ด้วยมือทั้งสองข้างสองลำกล้องไปยังศีรษะที่กำลังเลื้อยผ่านก้อนหินถือใกล้เข้ามาทุกขณะระเบิดกระสุนออกไปยังถวายชีวิตสองนัดลั่นกึกกล้องนัดที่สามดัดแต่นัดที่4หและ6ทําหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ ทนัดที่ผ่านพ้นลำล้องออกไปแล่นเข้าหาบริเวณหัวอันใหญ่โตราวกระสุนนั้นแม้ว่ามันจะไปปะักเพียงใดก็ตามสำหรับเป้าใหญ่มื่คือมาเช่นนั้นไม่มีนัดไหนหลุดพ้นไปได้เลยแต่นรกเป็นพยานเถิดดารินสํานึกได้ด้วยหัวใจที่แทบจะวายดับลงในบัดนั้นแรงประทะเพียงพันกว่าฟุตบอลเล็กน้อยและด้วยน้าหนักหัวกระสุน240เกรน มันแทบจะไม่มีผลอะไรขึ้นมาเลยสำหรับไอสัตว์จากโลกันตนนั้นหรือมิฉะนั้นอำนาจความตื่นเต้นขวันเสียประกอบกระแรงสะท้อนถอยหลังอันหนักหน่วงของปืนที่เกินกำลังข้อมือของหล่อนทำให้ไม่สามารถจะส่งกระสุนเข้าไปยังจุดสำคัญได้แมจแรกที่มาในรูปกายของตะขาบดงเพียงแต่สะดุง้งในทุกครั้งที่กระสุนแล่นทะลวงเข้าไปฝังแล้วก็ส่หัวพร้วพลาดไปมา ดวงตาทั้งสองลุกแดงฉานเขี่ยวก็อาสยายกว้างออกอย่างเกรี้ยวกร่อดุร้ายชะงัดงันไปช่วยเสียววินาทีจากนั้นก็ถือดิ่งขึ้นมาอีกด้วยความทรหดของอสูรยักษ์หญิงสาวถอยหลังกรุดเป็นเวลาเดียวกับที่กระพินทัลันลุกขึ้นมาได้พร้อมกับปืนของดารินที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยมองเห็นเหตุการณ์นั้นทุกระยะด้วยความตกใจเหลือที่จะกล่าว ไม่มีทางจะหยุดมันได้เล้วถอยเร็ว จอมพรานกระชากแขนหญิงสาววิ่งเปะปะตามยถากรรมอ้อมหินใหญ่ก็นั่นเข้าไปเบื้องหลังบุญคำก็กระโจลิ้วติดหลังมาอย่างไม่จำเป็นต้องชักชวนและทั้งสามชีวิตก็รู้สึกเหมือนกับวสวรรค์ลงมาโปรดเมื่อแลเห็นปากโพรงถ้ำแคบๆลักษณะเหมือนจะเป็นรอยหินแยกปรากฏอยู่เบื้องหน้ามันจะเป็นโพรงของอะไรมีอันตรายรอคอยอยู่เพียงไหนไม่เป็นสิ่งที่จะต้องคานึงในขณะนี้ ในเมื่อเบื้องหลังห่างเพียงไม่กี่วามะรุตยุที่มองเห็นชัดอยู่แล้วกําลังรุกไล่คุกคามเข้ามาจวนเจียนเต็มที่ดารินมุดตัวผุดเข้าไปก่อนเป็นคนแรกโดยการผลักใสของระพินจากนั้นเขาก็ใส่คอบุญคําให้หมุดตามเข้าไปเป็นคนที่สองตนเองหันความกลับมาแล้วก็เผชิญหน้ากับไอ้มหาประลัยซึ่งกําลังล่อหัวพงาล่าขึ้นมาห่างออกไปแค่สี่หวาเท่านั้น เรากับจะเป็นคู่อาฆาตแค้นกันมาจากชาติก่อนซึ่งจะต้องตามมาเอาชีวิตกันจนถึงที่สุดเขาซุดตัววูบลงนั่งตามองตานิ่งอยู่เช่นนั้นส่วนหัวของไอ้ยักษ์ขณะนี้เกยพาดอยู่บนก้อนหินลูกที่คนทั้งสามวิ่งอ้อมมาบริเวณหน้าผาที่มันเลื้อยติดขึ้นมาสูงชันเป็นอุปสรรคไม่ให้มันทรงตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนัก นอกจากจะค่อยๆไต่ลากลำตัวอันยาวเหยียดขึ้นมาและแม้ในขณะ น, นี้ส่วนหัวของมันจะห่างจากเหยื่อเพียงชั่วเสือกายปลาดเดียวถึงก็จริงอยู่หากแต่ภูมิประเทศไม่อำนวยอย่างน้อยที่สุดมันจะต้องเสียเวลาฉุดลากส่วนยาวของลำตัวขึ้นมาตั้งหลักให้ได้ถนัดก่อนและนี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเขาแล้วจอมพรานยกปืนในมือขึ้น หมายไปที่ตำแหน่งใต้เขีว้วกะให้กระสุนเจาะชอนทะแยงเป็นมุม45องศาขึ้นไปกลางศีรษะเมื่อเปรียบเทียบปืนในมือกับขนาดของมันแลว้วจะแตตามกันเช่นไรก็ตามไอ้เรื่องที่จะหนีท่าเดียวไม่เคยมีอยู่ในสัญชาติยานสู้ของจอมพรานอย่างระพิพนไพร์วัดเขาปล่อยกระสุนนัดนั้นออกไปอย่างใจเย็นที่สุดเสียงมันระเบิดหนักแน่นแลกลางวาน สะท้อนต้องไปทั้งกูหาหินที่แว่ล้อมรอบได้ส่วนหัวอันน่าเกลียดหน้ากลัวนั้นกระชากวูบหายไปจากคลองจักสุในพริบตาที่กระสุนลั่นขึ้นหินก้อนที่มันเกยอยู่ลั่นไหวเราก็มีมือยักษ์มาโยกคลอนระหว่างที่พรานใหญ่นั่งรอคอยฟังผลต่อไปด้วยจิตใจอันระทึกไม่เป็นซํำนั่นเองใครคนหนึ่งที่หลบยุนในซอกโพรงถ้าก่อนแล้ว ก็กระชากคอเสื้อเขาพั ง, งาหลังแล้วก็ถูกล่าเข้าไปในช่องอันมืดทึบที่โลบภัยชั่วคราวนั้นภายในเต็มไปด้วยกลิ่นอับ พ, พื้นแห้งสนิทและก็อ่อนนุ่มเพราะดินปนกรวดสุยรวดมือที่ล่าเขาเข้ามาเป็นมือของนายจ้างสาวกับตาพรานเท่าบุญคำซึ่งช่วยกันคนละแรงและบัดนี้ศีรษะของเขาดูเหมือนจะวางพาดอยู่กับตักนุ่ม เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อของใครคนหนึ่งที่เห็นจะไม่ใช่บุญคำแนเบื้องนอกเสียงคลื่นโครมราวกับเกิดพายุสลาตันยังคงดังสะเทือนเลื่อนลั่นอยู่เช่นนั้นอาการดิ้นของไอ้ยักษ์ใหญ่เสียงหินถล่มร่วงกราวลงไปยังชายผาเบื้องล่างเสียงคู่คำรามแทบว่าจะทำให้คนขวัญอ่อนต้องกลั้นใจตายเสียรู้แล้วรู้รอด นายเป็นยังไงบ้างคั้นแล้วในความมืดมิดชนิดมองไม่เห็นอะไรเลยนั้นก็มีเสียงร้อนรนร้องถามมามือกระด้างของบุญคําลูบคลําอยู่ที่เนื้อตัวซีกซ้ายของเขาระพินพยายามทรงกายขึ้นหนะักเบื้องนอกแสงสว่างรางๆยังพอสาดลอดเข้ามาให้เห็นและเขาอยู่ห่างจากปากทางเข้าไปเพียงวาเดียวรอแยกจากผนังหินอันเป็นช่องโพรงที่มุดลอดเข้ามาอาศัยหลบ อยู่ในขณะ น, นี้ในตอนชิดกับพื้นเบื้องล่างเป็นช่องโหว่กว้างประมาณวาเศษสูงขึ้นไปเม็ดเดียวลักษณะเป็นวงรีรูปไข่แต่มีรอยแยกของผนังหินห่างสองศอกเป็นแนวคดเคี้ยวขึ้นไปเบื้องสูงแล้วก็ปรากฏรอยโหวขนาดใหญ่เหมือนจะเป็นช่องระบายอากาศอยู่เบื้องบนอีกตอนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามภายหลังจากคํานวณด้วยสายตาแล้วก็พอจะเชื่อได้ว่า ส่วนหัวอันใหญ่โตมโหฬารของตะขาบยักษ์ไม่อาจจะมุดลอดร้อยโวเหล่านั้นเข้ามาได้เสียงสั่นของบุญคำถามซ้ำมาอีกลูกประสาทอันชาดิบของเขาให้ตื่นขึ้นไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงขาดเสียงของเขาเงาอันดํามืดก็บงังปากทางทำมึนเข้ามาอย่างเช่มชะมันโผล่หัวตามเขามานั่นแล้วดารินร้องลั่นทั้งสามพงษ์หลัง ถอยร่นเข้าไปอีกด้วยแสงชาตยานหนีภยัยจนรู้สึกว่าหลังยันติดกับผนังหินครุขระด้านหนึ่งทางด้านมุมทะแยงกับปากทางเข้าไฟชายเร็วดารินรื่อมิฉะนั้นก็บุญคำคนใดคนหนึ่งคนย่ามหลังใจเดียวลำแสงของฮันเตอร์แปดทอดก็สว่างจ้าพุ่งเป็นลำออกไปยังปากช่องโพรงซึ่งบัดนี้กาลังถูกบังมืดมิดท่ามกลางแสงไฟนั้น ทั้งหมดเห็นหนวดสองเส้นใหญ่ขนาดเชือกมันิลาเขืองเขงกวาดดุบดิบโผล่ล้ำเข้ามาก่อนทางปากโพรงต่อมาก็เป็นปลายเขี้ยวอันแหลมงงดันเข้ามาทางช่องนั้นอ้ากว้างออกและขยับบดเข้าหากันอยู่ไปมาอย่างน่าสยองใจมันพยายามที่จะมุดส่วนศีรษะดันเข้ามาให้ได้แต่ก็ติดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะปากโพรงหินอันแข็งแรงเปรียบเสมือนทวารที่กั้นสกัดไว้ และเห็นส่วนปากที่ซ่อนอยู่ใต้โค้งเคี้ยวยุ่มยามไปด้วยขนหน้าขยักขยงอย่างถนับพร้อมกับบางส่วนของศีษะบริเวณที่เหนือเขี้ยวไปเล็กน้อยมันไม่ละความพยายามใช้ส่วนหัวอันใหญ่โตดุนดันจุกปากช่องอยู่เช่นนั้นเหมือนจะแหกะทลายปากช่องแคบให้เปิดกว้างออกแล้วมุดลอดหัวเข้าไปตามเยื่อทั้งสมชีวิตให้จงได ทำไมไม่ยิงเสียงดารินสถานไปทั้งคูหาเมื่อเห็นพรานใหญ่นั่งชันเข่ากุมด้ามปืนสั้นหนีบไว้ในระหว่างขาจ้องปากกระบอกเฉยอยู่ปืนของผมอยู่ไหนส่งกระบอกนั้นมาดีกว่าเขากระสิบฉันฉันทำพลัดหลุดมือตอนที่คุณกระชากฉันให้หนีเมื่อตะกี้น้ำเสียงของหล่อนเหมือนจะร้องไห้ กระพินไพรวันความหวังดับวูบลงในบัตรนี้กระสุนปืนกระบอกนี้ของคุณหญิงเหลืออยู่กี่นัดหญิงสาวคลำคนที่เข็มขัดปืนสั้นซึ่งติดเอวอยู่อย่างรีบร้อนแล้วกระซิบมาเหมือนคนกำลังจะสิ้นใจอีกสามนัดเท่านั้นความจริงมันเหลือมากกว่านี้แต่ฉันทำหล่นหมดตอนที่บรรจุลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ บุญคำครางออกมาแหบๆที่ติดกระปืนนี่มีอยู่ห้านัดที่คุณญิงอีกสามนัดรวมเป็นแปดนัดสามชีวิตของเราในขณะนี้มีปืนเหลืออยู่เพียงกระบอกเดียวกับกระสุนแปดนัดจอมพรานพูดอย่างใจเย็นตายังจับนิ่งอยู่ที่เขี้ยวสีดำคลำ้ำราวกับหัดมฤตยูทั้งคู่ที่ขยับขย่ำอากาศร่วมร่วมอยู่เบื้องหน้า แล้วทีหินก้อนหนึ่งขนาดครกตามน้ำพริกคิกลิ้งครุกๆๆๆเข้าไปกระทบเพราะแตะสัมผัสมันก็คบหนีไว้ทันทีราวกับก้ามปูนลกอึจใจเดียวก็คลายออกเมื่อสัมผัสส่งให้รู้ว่านั่นเป็นแต่เพียงก้อนหินแข็งที่ปราศจากชีวิตเริ่มการเคี่ยวสายค้นหาต่อไปฉันมีจุดสองสองแมกนัมเหลืออยู่กระบอกหนึ่งในยามหลังนี่หล่อนรีบบอกมาโดยเร็ว เพราะเพิ่งนึกขึ้นมาได้พร้อมกันก็ดึงปืนยังชีพหาอาหารกระบอกนั้นขึ้นมากระชับไว้ในมือไม้จิ้มฟันสองอันช่วยอะไรเราไม่ได้แน่ๆอยเย็นๆไว้ครับคุณหญิงถึงยังไงมันก็ไม่มีทางจะรอดหัวเข้ามาได้แล้วจะปล่อยให้มันมาจุกปิดช่องอยู่ยางนั้นเหะออย่างน้อยที่สุดถึงปืนของเราจะฆ่ามันไม่ได้ก็ยิงให้มันเจ็บไปก็ยังดี บางทีมันอาจจะเลิกความคิดที่จะเฝ้าดักเราอยู่อย่างนี้นะไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับปืนสั้นของเราสองระบอกนี่แหะครับเมื่อกี้นี้แต่ผมยิงได้เป้าหมายอย่างจังที่สุดถ้าเป็นไรเฟิลมันก็น่าจะสิ้นฤทธิ์ไปแล้วแต่นี่มันไม่ได้สะเทือนอะไรเลยลูกปืนของเราเกือบทั้งหมดขณะ น, นี้ฝังอยู่ในตัวของมันสภาพของลูกปืนเหล่านั้นมันไม่ดีไปกว่าลูกไม้สางหรือก้อนหิน แต่ไอตัวแรกใหญ่กว่านี้คุณก็ยิงมันคว่าไปแล้วนะเป้าหมายกลางแสกหน้าระหว่างดวงตาทั้งสองเป็นลูกปืนขนาดจุดสี่ห้าแปดรู้สึกว่านั่นจะเป็นเป้าหมายเดียวเท่านั้นที่จะหยุดมันลงได้แต่เดี๋ยวนี้เรามีอะไรนอกจากปืนสั้นเล็กประติว๋วหลิวสองกระบอกเมื่อเปรียบเทียบกับตัวมันจุดสำคัญของมันเราก็ไม่เห็นขืนยิงไปก็เสียกระสุนป่า ชีวิตของเราขณะนี้ฝากไว้กับปืนและกระสุนในวงจำกัดนี้เท่านั้นลอกอีสักนัดนะนายเพื่อมันจะถอยไปบ้างบุญคำหายใจไม่ออกที่เห็นเขียวมันขยับกลวมกลวอยู่ตรงหน้าแบบนี้ป้าพรานเท่าเร่งราวมาอีกคนระพินส่งจุดสามเจ็ดสามห้าเจ็ดแมกนัมกระบอกนั้นไปให้พรานคู่ใจของเขาเอาละบุญคา ลองดูเองแล้วกันบุญคำรับปืนมาจากเขาสุดตัวลงนอนพังภาพแนบกับพื้นกำด้ามปืนสองมือส่องออกไปยังเป้าหมายเบื้องหน้าที่ห่างเพียงสองวาอย่างระมัดระวังแล้วแกก็เหนียวไกลระเบิดกระสุนเปรียงออกไปในที่อันจำกัดเช่นกันกำปนาตของมันราวกับฟ้าผ่าไอ้ยักษ์ที่กําลังพยายามเอาหัวดันปากโพรงอยู่หดหัวหายแวบไปในทันที ร้อมกับเสียงพ่นลมฟ้าใหญ่เศษดินและฝุ่นภายในโพรงถ้าฟุ้งตลบไปหมดมีเสียงเลื้อยตัวก้อนหินลั่นคึกๆอยู่ยังบริเวณปากโพรงอย่างแช่มช้าแล้วก็หยุดนิ่งออกมาก็มีเสียงเคลื่อนไหวอีกเลือเล้อยๆยหยุดหยุดอยู่ยังบริเวณปากโพรงนั่นเองไม่ยอมผละไปไหนภายหลังจากสงบใจฝังทั้ง3มก็รู้ว่ามันคอยเฝ้าคุ้มเชิงอยู่นั่นเอง แต่ไม่กล้าโพหัวล้วงเข้ามาเท่านั้นมันยังไม่ไปจะทำยังไงดีดารินพึมพำอย่างน้อยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ในตอนนี้มันจะคุมเชิงเฝ้าเราอยู่ได้นานสักแค่ไหนกใหยมันรู้ไปรบพินว่ากวาดไฟฉายสำรวจดูภายในโพรงที่เข้ามาหลบกันอยู่ด้วยความพิจารณาทีทวนเป็นครั้งแรกบุญคาว่ามันคงไม่เฝ้าเราอยู่นานนักหรอกนาย คงแบบเดียวกับไอช้างโขลงที่ขับบุญคำขึ้นไปอยู่บนยอดกลางนั่นแหละมันเฝ้าอยู่โคลนต้นสักสาสี่ชั่วโมงเพราะมันเบื่อมันก็ไปเองคืนนี้เราเต็กอยู่ในนี้แนะ่แต่บุญคำก็ว่ามันปลอดภัยที่สุดแล้วนะนายทั้งสามเพิ่องจะได้พักผ่อนร่างกายและประสาทอันตึงเครียดมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการต่อสู้ และหนีกันอย่างไม่มีเวลาได้หายใจภายในสถานที่หลบภัยที่พอจะเชื่อได้แน่ว่าปลอดภัยพอสมควรนี้หลังจากสุมสานกระเจิกระเจิงกันมาอย่างชนิดตั้งตัวไม่ติดนับตั้งแต่ประจันบาลกับเจ้าสัตว์โลกโลูกัดบารีนั่งเหยียดเท้ายาวหลังพิงผนังหินอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงมือถือจุด 2-2 แมนัมวางผ้าจุกตักอย่างปราศจากความหมาย ตาพานเท่านั้นลงนอนแพราโดยไม่คำนึงถึงว่าบริเวณที่แกวางหลังลงไปมันจะเป็นอะไรคงมีแต่ะพินเท่านั้นที่ปราสาททุกส่วนยังทำงานพร้อมเขาสอ์ไฟฉายสำรวจบริเวณไปรอบๆอย่างช้ชาๆภายในโพรงถ้ำแคบๆมีอาณาบริเวณเป็นเวงแองหรือครูหาย่อมๆนั้นลักษณะของมันเป็นรังอาศัยของหมาป่าที่เข้ามาอาศัยออกลูก เพดานหินเหนือศีษะเป็นรูปโคง้งสูงขึ้นไปประมาณสเมตรในตอนสุดผนังด้านในพอที่จะยืนได้อย่างสบายส่วนเบื้องบนชิดกระปากโพรงที่มุดลอดกันเข้ามาเป็นช่องโพรงสูงขึ้นไปราวส0เมตรตามแนวแยกของหินจนกระทั่งถึงส่วนบนที่ทะลุเป็นปล่องกว้างวาเศบมองเห็นท้องฟ้าและกิ่งไม้ที่ปกคลุมอยู่เบื้องบนมีแง่หินและรากไม้ที่ชอนทะลุ เข้ามาพออาศัยเป็นที่ปีนป่ายนำตัวขึ้นไปยังปากปล่องด้านบนได้พื้นเป็นดินลูกรางปนกรวดร่วนซุยและราบเรียบพอสมควรมีรอยเม่นเข้ามาอาศัยอยู่แทนหมาป่าซึ่งร้างไปนานแล้วลักษณะของโพรงแคบๆที่หลบภัยเข้ามาโดยบังเอิญ น, นี้จะเป็นที่อาศัยพักนอนตลอดคืนได้อย่างปลอดภัยทีเดียว เรียกปืนสั้นขึ้นมาจากบุญคำเน็บไว้ที่เอวแล้วค่อยๆพยุงตัวปีนอย่างระมัดระวังขึ้นไปตามแง่หินและรากไม้มุ่งขึ้นไปสู่ปากปล o n อันไม่สูงเกินไปนักซึ่งบัดนี้เห็นแสงสว่างจากโลกภายนอกเหลืออยู่เพียงเลือนลางเต็มทีนั่นคุณจะทำอะไรดารินสงกตัวขึ้นยืนพร้อมกับบุญคำเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของเขารองถามออกไปอย่างสงสัยรออยู่ที่นั่นนะ ผมจะขึ้นไปดูอะไรบนช่องทะลุนั่นหน่อยพรานใหญ่ตอบเบาๆนำตัวไตสูงขึ้นไปอย่างแ ช, ช้าๆใจต่อมาของการเฝ้าจับตามองของอีกสองคนจากเบื้องล่างก็เห็นเขาขึ้นไปถึงระดับปากปล่องนั้นค่อยๆพลูศีรษะขึ้นไปกว่าตาสังเกตดอะไรอยู่ครูใหญ่และจึงชักมีดโบวีที่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาตัดลาต้นไม้เล็กๆต้นขนาดข้อมือ ที่งอกอยู่ยังบริเวณปากปล่องด้านบนโยนทิ้งลงมาเจ็ดแต้นบุญคำซึ่งรอคอยอยู่เบื้องล่างก็จัดการลากลําต้นไม้เหล่านั้นมากองรวมกันไว้ลิบใบออกเอาใบเหล่านั้นเกลี่ยโรยทับพื้นดินลูกรางสําหรับเป็นที่รองนอนแล้วก็ตัดทอนลําต้นอันตรงแนวลักษณะราวกะไม้พรองเหล่านั้นออกเป็นท่อนๆในลักษณะฟืนยังแข่งกับเวลาประสานงานกันได้อย่างคล่องคล่องว่องไว กับเจ้านายผู้ทำงานอยู่เบื้องบนโดยไม่ต้องพูดหรือสั่งความใดๆกันเลยอย่างรู้หน้าที่กันดีแล้วต่อมารบพินก็ไต่กลับลงมาพร้อมกับต้นไม้ชนิดเดียวกันอีกต้นหนึ่งอวบใหญ่ขนาดโคนแขนและตรงยาวราวกับไม้ค้ำถอดเขาทิ้งมันลงมาให้บุญคำก่อนต้นเองโหนตัวตามลงมาทีหลังพอลงมาถึงพื้นก็จัดการลิบกิ่งใบออกตัดทอนส่วนปลายทิ้งเหลือยาวประมาณวาสี เสียมปลายแหลมในลักษณะปากฉลามแล้วทดลองถือกระชับไว้ในมือดารินผู้ยืนมองอยู่เงียบๆก็พอจะเข้าใจได้เลาๆว่าเขาต้องการจะทำไม้เสียมปลายแหลมท่อนนั้นเพื่อประโยชน์อันใดจะเอาไว้รับมือกับไอ้ยักษ์นั่นตอนมันโผล่หัวเข้ามาลมะมั้งก็ยังดีกว่าที่ต้องเสียลูกปืนที่มีอยู่จำกัดไ ป, ปเปล่าๆยังไม่แน่เหมือนกันนะว่าเมื่อไรมันจะพยายามดันหัวเข้ามาอีก ไร่เฟินทั้งหมดสามกระบอกเปินสั้นอีกกระบอกหนึ่งหลุดจากมือเราไปหมดหญิงสาวเอ่ยขึ้นเบาๆเหมือนจะรำพื้นบุนเท่าไรแล้วที่เอาชีวิตหนีรอดเข้ามาในนี้ได้นะจอมพรานวางหอกโมกษักริ์ที่สำเร็จลงอย่างลวกลวกง่ายๆของเขาพิงผนังหินไว้สุดตัวลงนั่งช่วยบุญคำพาท่อนฟืนเหล่านั้นเจียนออกเป็นชิ้นเล็กๆแท่งขนาดนิ้วก้อย และวางไม้สุดเหล่านั้นก่ายประสานกันในลักษณะกองไฟโดยตั้งดักไว้ยังปากโพรงทางเข้านั่นคุณจะทำอะไรก่อไฟเหรอดารินถามโดยเร็วเมื่อเห็นเขาล่วงซิปโปออกมาสลัดแล้วคุณหญิงคิดว่าผมอุตสาหนั่งเตียนมันมาสำหรับเล่นขายเข้าของเหรอเราอยู่ในที่แคบจำกัดแล้วก็อัดไม่คิดบ้างเหรอ ว่าควันไฟมันจะรมเราอยู่จนอยู่ในนี้ไม่ได้เขาชี้ขึ้นไปที่รอยแยกอันเป็นแนวตลอดขึ้นไปจนถึงปากปล่องเบื้องบนสีสักทางระบายอากาศอยู่ที่นั่นครับปล่องนู้นก็อีกช่องหนึง่งที่จะดูดควันขึ้นไปแล้ะพรองครับว่าผมจะไม่บูชายันตัวเองหรอกก็ละไม้สดออกอย่างนั้นน่ะมันจะติดไฟได้ยังไงแทนคําตอบระพินจุดซิปโป้ขึ้น ลนต่อข้ากับชิ้นฟืนเล็กๆที่เจียนออกจากท่อนใหญ่วางกายกันหลวมๆเหล่านั้นใจเดียวก็ลุกติดเป็นเปลวขึ้นอย่างรวดเร็วจึงเอาฟืนท่อนใหญ่กายพาดเข้าไปดารินจ้องมองอย่างงุนงงหล่นประหลาดใจอย่างยิ่งที่มองเห็นไม้สดเปลือกเขียวกระจีเหล่านั้นสามารถติดไฟขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อวางฟืนได้ระดับกันดีแล้วมอบหน้าที่ให้บุญคําคอยดูแล ตนเองถอยห่างออกมานั่งพักพร้อมกระถอนใจยาวไม้เหล่านี้ทางวิชาโบตานี่เขาจะเรียกไม้อะไรผมก็ไม่ทราบนะครับแต่พวกชาวป่าเรียกไม้ขโมยมันเป็นไม้เล็กมักจะขึ้นปะบนอยู่ทั่วไปในป่าทุกประเภทคุณสมบัติในตัวมันก็คือแม้จะตัดมาสดๆก็สามารถติดไฟได้อย่างง่ายดายเพราะมียางเป็นเชื้อเพลิงอยู่ไม่ว่าจะเปียกน้า รือชื้นแฉเพียงเพียงไหนก็ก่อไฟติดได้ง่ายแต่ก่อนอื่นให้เจียนมันออกเป็นชิ้นเล็กสำหรับเป็นเชื้อล่อไฟซะก่อนมันเป็นประเภทไม่เบาเปราะจอมผ่านบอกเบาๆพร้อมกระส่งท่อนฟืนที่บุญคำทอนไว้เรียบร้อยแล้วส่งไปให้หล่อนกล่าวต่อมาว่าสังเกตและจำไว้ด้วยนะครับบางโอกาสเราอาจหาฟืนแห้งไม่ได้เลย ก็ต้องอาศัยต้นไม้ประเภทนี้ทำฟืนแทนแล่ะครับดารินรับมาพิจารณาดูอย่างทึ่งๆึ่งมองหน้าเขาแล้วหันไปมองดูกองไฟที่บุญคำนั่งคุมอยู่ซึ่งบัดนี้เริ่มจะติดโชนนั่งประสานมือกอดเขา่าไม่กล่าวอะไรอีกเพียงแต่คิดอยู่ในใจว่าความรู้ที่จะศึกษาร่เรียนจากสุภาพบุรุษไทยผู้นี้เกี่ยวกับการดํารงชีพอยู่ในป่าช่างไม่มีวันจบสิ้นเอาซะเลย ดะพินปลดเครื่องหลังของเขาออกหยิบก้อนเนื้อที่ย่างรมควันเป็นเสเบียงติดตัวอยู่โยนให้บุญคําย่างซ้ำเปิดกระติกน้ําออกยื่นส่งให้หญิงสาวเมื่อดารินสันศีรษะเขาจึงกรอกเข้าปากตนเองดื่มกลัวแล้วเอนกายลงครึ่งนั่งครึ่งนอนศีรษะวางผาดักยัความมืดโรยตัวลงมาปกคลุมป่าใหญ่สนิทลงแล้วราวกับมีผ้าดําผืนใหญ่ มากั้นไว้แต่ภายในโพรงซอกขินแคบแคที่ทั้งสามชีวิตเข้ามาหลบภัยอยู่สว่างพร้อมแพรมด้วยแสงจากไฟในก่องพอจะเห็นอะไรภายในครูหานั้นได้ราง ความเงียบย่างเข้ามาครอบคลุมค ง, งได้ยินแต่เสียงไฟกินไม้ปะทุผัวผักเบาๆอยู่ในกองบุญคำนั่งมวลบุรีใบตองแห้งเฝ้าดูเนื้อย่างอยู่เหนือกองไฟดารินยังคงนั่งกอดเข่าอยู่ในอาการเดิมหล่อนสะดุ้งนิดหนึ่งเมื่อถูกสะกิดหันกลับมาก็เห็นครานใหญ่ยื่นกล้องพลาสติกที่บรรจุ บ, บุรีส่งมาให้หญิงสาวเปิดออก หยิบขึ้นมาจุดพร้อมกันสองตัวตัวหนึ่งขีบไว้ในนิ้วอีกตัวหนึ่งส่งให้เขาตอนที่คุณปีนขึ้นไปตัดไม้บนปากปล่องนั่นเห็นตัวมันไหมหล่อนทําลายความเงียบขึ้นภายหลังจากต่างนิ่งกันไปเป็นเวลานานตัวมันเท่าสูงอะทําไมถึงจะมองไม่เห็นแล้วมันทอดขวางลําตัวอยู่หลังก้อนหินใหญ่ที่เราหลบอยู่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเข้ามาในเนี้ ล้อมปากโพรงนี่ไว้หันหัวมาทางปากโพรงโดยบังก้อนหินไว้โผล่ไปเมื่อไรก็เสร็จเมื่อนั้นแหละครับดารินถอนใจขึ้อเดี๋วจะทํำยังไงกันดีอเนี่ยก็ถ้าเผื่อมันไม่ยอมไปคอยดักจ้องคุมเชิงอยู่นี่ไม่แปลว่าเราถูกปิดล้อมจนมุมอยู่ในโพรงนี่หรอกนั่นนะ่ะเอาไว้คอยแก้ปัญหาทีหลังสําหรับขณะ น, นี้เราได้พักนอนกันปลอดภัยแล้ว อย่างน้อยก็ตลอดทั้งคืนนี่แหละครับไอ้ตัวแรกมันจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่เท่าที่เห็นครั้งสุดท้ายมันพลิกหงายท้องไม่กระดิกกระเดี๊ไปแล้วเจ้าตัวนี้ทรหดที่สุดแต่อะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าเรายิงไม่ถูกจุดสําคัญของมันเลยหรืออาจถูกบ้างก็เป็นกระสุนปืนสั้นที่อ่อนอนุภาพเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดตัวของมัน ไรเฟิลแต่ละกระบอกก็จกะกั๊มเหลือเกินมีเหตุเป็นไปต้องพลัดหลุดมือไปหมดครั้งสุดท้ายผมสละทิ้งไปเองเพราะทาไมทิ้งก็หนีไม่ทันมันจวนตัวครับขันเต็มที่แล้วเขาก็หัวเราะออกมาเบาๆอัดควันบุรี่ลึกไอตัวหลังนี่มันร้ายกาจถึงใจจริงๆครับมันกูดเราจนแทบว่าไม่มีแผ่นดินจะไปยังกระอาฆาตพยาบาทกันมาแต่ชาติก่อน ยังโชคดีอยู่บ้างนะที่มาพบโพระงนี่ค้าวไม่งั้นเราตายกันหมดละก็สุนปืนของเรามันก็ช่างเวรแทๆ้ๆหลายนัดมันด้านในวินาทีสําคัญที่สุดถ้ามันดีทุกนัดเหมือนใจเราอาจหยุดมันทั้งสองตัวได้แล้วก่อนที่จะหนีเข้ามาจนมุมอยู่ในนี้ลูกปืนของผมกับคุณหญิงที่มีติดตัวกันอยู่ขนาดนี้มันไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยนึกจะลั่นมันก็ลั่นนึกจะไม่ลั่นมันก็เงียบฉีบไว้เฉย ผลก็มาจากการแช่น้ำอยู่หลายชั่วโมงอะครับดารินยกปืนสั้นจุด22แมกนัมในมือขึ้นดูอย่างหมดศรัทธาและมองไปที่บุญคำผู้นั่งดูใบบุรีใบตองแห้งเงียบๆอยู่ลูกปืนของบุญคำน่ะคงจะเชื่อได้มากกว่าของเราละมะั้งเพราะของแกน่ะไม่ได้เปียกน้ำเลยหล่อนพูดเบาๆแล้วร้องถามไปทางตาเท่าบุญคำเหลือลูกปืนอยู่กี่นัดอะ 8นายหญิงแต่จะมีประโยชน์อะไรปืนของบุญคำตกอยู่เชิงผาข้างล่าง น, น่นมีแต่ลูกนายบอกให้บุญคำทิ้งบุญคำก็ทิ้งแล้วก็ดันทิ้งปืนไม่ได้บรรจุลูกไว้ฉันด้วยมันหน้านักพพาดีพรานใหญ่สะบดมาบุญคำยิ้มแห้งๆเอามือลูบหัวโถนายบุญคำวัวต่ตาลีตะเหลือกชุดนายหญิงวิ่งอะไรอะไรมันก็ลืมไปหมด พระจวนตัวเต็มทีอ่ะบุญคำเพิ่งมานึกได้เดี๋ยวนี้เองว่าวิ่งถือพลืนเปล่าๆมาไม่ได้ใส่ลูกดารินแหงหน้าขึ้นไปมองปล่องเหนือสีสักซึ่งแบบนี้เห็นดาวดวงหนึ่งริบรีอยู่บนท้องฟ้าอันดำมืดคุณขึ้นไปสำรวจช่องทางนั้นพอเหต่างที่เราจะเล็ดลอดนีออกไปได้ไหมสมมติว่ามันยังจ้องคุมเชิงเราอยู่เช่นนี้จนถึงเช้าอ่ะ ยากครับไอระดับนั้นน่ะมันสูงขึ้นไปไม่มากนักสมมุติว่าโผล่ไปแล้วทางที่จะไต่ขึ้นไปด้านบนชั้นเก้าสิบองศาเป็นแผ่นผาหน้าเป็นแผ่นหน้าผาตัดเรียบไม่มีทางที่จะปืนขึ้นไปได้นอกจากไต่ลงล่างซึ่งก็จะเป็นทางที่มันนอนสกัดกั้นอยู่และระยะนั้นมันเสือกตัวปราดเดียวก็ขึ้นถึงไม่มีที่กบาบังอะไรด้วย นั้นก็รอให้ชาวซะก่อนถ้ามันยังไม่ไปเราจะใช้วิธีล่อมันตาพรานเท่าออกความเห็นมาจะล่ อ, อยังไงนักระจญภัยสาวเลือดราชสกุลหันขวับไปมองก็พรานใหญ่คอยล่อมันให้มันจ้องโผล่หัวดันเข้ามาทางช่องนี้เหมือนเมื่อตะกี้แล้วบุญคำก็จะย่องออกไปทางกล่องนั้นลงไปเก็บปืนข้างล่าง พอได้ปืนก็ย่องขึ้นมาเจาะขอมองมันซัมันมัวแต่คอยจ้องจะล้วงหัวเข้ามาในโพรงนี้อาจไม่เห็นบุญคําที่ย่องลงไปเก็บปืนก็ได้ก็แล้วถ้ามันเห็นแล้วหันไปเล่นงานบุญคําล่ะก็นั้นไม่ต้องห่วงหรอกนายหญิงบุญคำรักษาตัวเองได้หรือแต่พลาดถึงแก่ชีวิตก็มันรู้ไปบุญคําไม่กลัวหรอกความคิดของตะพรานเท่านับว่าแยบยลที่สุด และไม่มีหนทางใดที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้วในกรณีที่ถ่ายสัตว์ยักษ์มากตีนยังคอยจ้องคุมเชิงอยู่จนถึงตะวันขึ้นพรุ่งนี้แล ะ, ะพินก็เห็นด้วยแต่ในระหว่างเขากระบุญคาใครจะเป็นคนล่อใครจะเป็นคนลอ บ, นน ล, อบลงไปเก็บไรเฟิลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือฟาดฟันกับมันเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันภายหลังเมื่อเวลานั้นมาถึงอย่างน้อยที่สุด ายในโพรงซอกหินที่เข้ามาอาศัยหลบอยู่ก็ยังมีทางออกอยู่สองทางไม่ได้อับจนอยู่ทางเดียวแม้ว่าอีกทางหนึ่งนั้นจะอยู่ในรัศมีการจู่โจมถึงโดยง่ายของไอ้ตะขาดยักษ์ก็ตามทั้งสามแบ่งสเสบียงซึ่งเหลืออยู่เป็นมือสุดท้ายกินกันประทังชีพปรึกษาหารือกันอยู่สักครู่ก็ล้มตัวลงนอนฟืนที่ระพินตัดลงมาถ้าใช้อย่างประหยัด โดยสุมเพียงให้ไฟติด ก, กลุ่งๆไว้ก็พอจะใช้ไปได้จนถึงตะวันขึ้นบุญคำนั้นก่อนจะเอ็นหลังจะเลี้ยงออกมาให้พ้นจากปากโพรงในระยะที่มั่นใจว่าปลายเขี้ยวของมันจะล่วงเข้ามาไม่ถึงแล้วก็นอนสกับด้านปลายเท้าของเจ้านายทั้งสองไว้ดารินทอดกายนอนตรงกับปากปล่องด้านบนมองดูดาวแต่ละพินสกิดให้หลบพ้นช่องทางนั้นเข้ามาอยู่ใต้เวงหินจ้ะ พะไฟในกองที่ใช้ย่างเนื้อเริ่มรี่โรยความมืดก็ย่างกลายเข้ามาพร้อมกับความหนาวเย็นที่ทุกคนชาชินโลกรอบด้านภายนอกและภายในเงียบสงัดคงได้ยินแต่เสียงลมพัดผ่านช่องโพรงหินเหนือสีสักรางอยู่วีดหวือและเสียงกรนของบุญคำผู้ซึ่งพอหลังแตะพื้นก็พลอยหลับไปในทันทีด้วยความอ่อนระหวยรุแรง และการนอนง่ายของแกไม่มีสัาสํเนียงใดๆจะให้สังเกตจับฟังได้จากศับรูโลกลานปีที่คุมเชิงเฝ้าอยู่ข้างนอกดูประหนึ่งว่ามันจะกบดานสงบนิ่งไม่ติงกายแม้แต่น้อยเต็มไปด้วยเลนสในอันน่าคิดดารินผู้ยังนอนลืมตาโพลงอยู่ในความมืดขนาดนี้อยากจะคิดเข้าข้างตนเองว่า มันอาจถึงวาระสุดท้ายขาดใจตายไปแล้วเพราะทนต่ออำนาจพิษบาดแผลจากกระสุนปืนที่พุ่มร่างไม่ไหวจอมพรานผู้ซึ่งนอนเคียงอยู่กับหลอนห่างออกไปเพียงศอกเดียวในขณะนี้ก็เงียบสงบดูราวกับว่าเขาจะเข้าแดนนิตราทอดทิ้งหลอนไปฉะนั้นปล่อยให้หลอนต้องเผชิญกับความอ้างว้าง ว, าว้าเหวและพานสยองใจหน้านาประการไปเพียงเดียวดาย ท้ามกลางความเงียบนั้นหญิงสาวครุ่นคิดไปด้วยความฟุ้งซ่านานานาประการแล้วก็ปล่อยเสียงสะอื้นออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อนั้นจึงสัมผัสกับอ้อมแขนอันอบอุ่นมั่นคงที่เอื้อมมาโอบไว้รอบกายแล้วร่างร่างของหลอนให้เข้าเป็นแนบชิดศีรษะของหลอนถูกกดให้ซบลงกับท่อนแขนที่ทอดรองให้ แทนหมอนดารินรีบซับน้ำตาโดยเร็วเริ่มอบอุ่นใจขึ้นอย่างประหลาดถูกแล้วเขาผู้นี้ยังไม่ได้หลับทิ้งหล่อนไปเหมือนอย่างที่คิดเขายังตื่นพร้อมอยู่ทุกขณะและดูเหมือนจะอ่านได้โปร่ปรงเข้าไปในห้วงประวันคิดของหล่อนอย่างนี้อย่าคิดอะไรให้มากครับหลับซะตื่นขึ้นมาค่อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันใหม่ครับ เสียงแผ่วต่ำนั้นกระซิบริมหูฉันฉันนึกว่าคุณหลับทิ้งฉันไปซะแล้วผมก็จะหลับเหมือนกันละครับแต่ไม่ก่อนหน้าคุณหญิงหรอกครับโดยแท้ที่จริงฉันไม่ใช่คนที่เข้มแข็งเก่งกล้าอะไรเหมือนเช่นที่ได้อ้อวดไว้เลยนะฉันเป็นแต่เพียงผู้หญิงใจสอบธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นความกากรรมหนะัก ทำใหร่างกายของคุณเราอ่อนแอลงแล้วเมื่อร่างกายอ่อนแอจิตประสาทก็พลอยอ่อนแอลงด้วยเราต้องออกกําลังใจฝืนสู้กับมันครับคุณหญิงนพินฉันสารภาพตามตรงนะว่าท้อถอยพร่ำพลึงต่อเหตุการณ์ร้ายที่มันแวดล้อมคุกคามเราในขณะนี้หรือเกินหมดสิ้นทั้งกําลังกายและกําลังใจจะต่อสู้กับมันอีกต่อไปแล้วเป็นครั้งแรก ที่ฝ่ามืออันแข็งกระด้างแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและอบอุ่นนั้นลูปที่ศีรษะของหล่อนอย่างปลอบโยนถ้าท้อถอยก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นครับคือพ่ายแพ้แต่ถ้าสู้เรายังมีโอกาสที่จะชนะได้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าขณะนี้ผมเกิดเปลียงพลําเป็นอะไรลงไปหรืออย่างน้อยเกิดอาการจับสันทุบพลภาพขึ้นมาชั่วขณะ คุณหญิงจะกลับเข้มแข็งขึ้นมาได้ทันทีจงคิดถึงเวลานั้นสิครับเวลาที่คุณหญิงจะต้องยืนหยัดรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองต้องต่อสู้ตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวมีน้ำซ้ำยังต้องคอยมีภาระปกป้องผมไว้ด้วยอย่างเช่นที่เคยทำมาแล้วเมื่อนั้นคุณหญิงจะต้องเผชิญหน้ากับทุกสิ่งได้อย่างกล้าหาญมั่นคงที่สุดครับค่ะรพิ่ฉันจะพยายาม พยายามคิดสมมุติเหตุการณ์ชนิดนั้นขึ้นมาหล่อนกระซิบตอบเอาหน้าผากซบลงกับปลายคางที่สาบไวด้วยคราวแล้วก็รู้สึกถึงริมฝีปากอันอบอุน่นสัมผัสแผวละมุนที่หน้าผากของหล่อนพร้อมกับมือที่ลูบไล้ปลอบประโลมอยู่เช่นนั้นแต่เสียงเครือปนสะอื้นของหล่อนกระซิบกระท่อนกระแท่นต่อมา แต่คุณอย่าเป็นเช่นนั้นจริงๆขึ้นมานะระพินในความมืดบุรุษผู้ทรนงแห่งไพรกว้างยิ้มครับผมก็จะพยายามเหมือนกันครับพยายามที่จะเป็นหลักประกันปกป้องคุณหญิงจนกระทั่งลมหายใจช่วงสุดท้ายของชีวิตครับราชสกุลสาวผู้ตกยากอยู่ท่ามกลางมหาตะัยพังงกสีสะขึ้นมองฝาความมืดไปทางบุญคา ซึ่งนอนเหยียดยาวกรนอยู่เป็นจังหวะทางด้านปลายเท้าชิดกับกองไฟซึ่งบัด น, นี้ปราศจากเปลวมีแต่ฐานแดงเรืองแลวางศีรษะลงกับแผ่นอกกว้างแทนหมอนขอให้ฉันนอนอย่างนี้ได้ไหมระพินด้วยความเต็มใจและสุขใจยิ่งที่สุดในชีวิตของคนที่เกิดมาชื่อระพินครับผมนำค้างพรม ลมสงบไม่มีสัพสันเนียงใดๆจากตาเบื้องนอกแวววมาให้ได้ยินอีกทั้งสิ้นแล้วมิชามีนานดารินวราริสก็เงียบเสียงสนิทไปลมหายใจของหล่อนระรวยอ่อนได้จังหวะสม่ำเสมอระพินไพรวันหลับไปหลังจากนั้นเพียงเล็กน้อย เวลาผ่านไปสักเท่าใดไม่ทราบได้ในความเย็นสถานของอากาศกลางดึกความรู้สึกกลับคืนมาสู่จิตจำนึกด้วยเสียงชนิดหนึ่งจอมพรานขยับตัวเพียงนิดเดียวเท่านั้นดารินก็ผงกสีรษะขึ้นและเป็นเวลาเดียวกับที่บุญคำคลานเข้า ม, ามันเริ่มเคลื่อนตัวแล้วนายพรานเท่ากระซิบเมื่อระพินกับดารินค่อยๆดึงกายขึ้นนั่ง ขณะนั้นไฟในกองเหลือแต่เศษฐานแดงริบรี่กำลังฟังอยู่เขาตอบมือควานไปยังไฟฉายที่ตั้งไวขง้ข้างๆตัวก่อนจะหลับไปดารินปัดแขนเสื้อแจ็กเก็ตขึ้นดูนาฬิกาพลายน้ำที่ข้อมือมันชี้บอกเวลาเที่ยงคืนเศษเล็กน้อยเดินข้างแรมอ่อนๆลอยคว้างอยู่เหนือยอดเขาส่งแสงสิสิเป็นลำรอดรอยโวของปากปล่องเบื้องบน ลงมาปรากฏเป็นรักมลีวงกลมอยู่ในพื้นตรงกลางของพโพรงถ้าช่วยให้มองเห็นอะไรต่ออะไรได้ระรังเสียงที่แว่วมาในความเงียบเป็นเสียงโขดขินและพุ่มไม้เบื้องนอกลั่นเบาๆเกิดจากน้ำหนักตัวมากมายที่เริ่มเคลื่อนไหวมันดังๆหยุดหยุดหายหายราวกับว่าจะค่อยๆขยั บ, ข ย, บขยื้อนไปอย่างช่ำช้าแถวเบาสุด ตะขาบยักษ์ตัวนั้นเริ่มสำแดงท่าทีของมันขึ้นแล้วภายหลังจากสงบนิ่งกบดานอย่างเดียวตีความหมายไม่ออกถูเป็นเวลาถึงครึ่งคืนบุญคำหมอบราบลงกับพื้นเอาหูแนบฟังกับแผ่นดินและตามผนังส่วนพรานใหญ่ค่อยๆ ค, คลานไปหยิบลำต้นของไม้ขโมยที่เสี่ยมแหลมเอาไว้แทนเหลาวางพิงอยู่ริมฝาผนังหินใกล้ๆเสียงมันเลื้อยลงเขา ามันจะถอยแ ล, ะละ้วล่ะนายตาพรานเท่ากระซิบกระซาบมาอย่างยินดีแล้วก็จริงดังที่บุญคำพูดรวมทั้งค า, าดคเนไว้ก่อนแล้วล่วงหน้าไอสัตว์เลื้อยคลานยุคโลกล้านปีขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวลงจากหน้าผาอันเป็นบริเวณที่มนุษย์ทั้งสามใช้ชีวิตเข้ามาติดจนมุมอยู่ายหน้าลงไปเบื้องล่างเสียงการเคลื่อนไหวของมันที่แววมาให้ได้ยินบอกชัด แต่เป็นการไปเหมือนกับ ว, ว่ามันพยายามจะให้เงียบที่สุดโดยไม่ให้ฝ่ายมนุษย์รู้ตัวถอนตัวเองออกจากการปิดล้อมปากโพรงที่คอยดักอยู่พร้อมด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างถ้าไม่หมดความพยายามเพราะเห็นว่าเป็นการคอยที่ไร้ประโยชน์ก็อาจเป็นเพราะอำนาจพิษบาทแผลจากลูกปืนที่ฝังพราวอยู่ตลอดทางก่ในขณะนี้สร้างความเจ็บปวดทรมาน เพิ่มขึ้นหรือมิฉะนั้นก็โดย อ, อุบายเล่กนอะไรสักอย่างหนึง่ง ทั้งสามสงบนิ่งอยู่ในที่ซ่อนตัวคอยเงี่ยหูจับฟังเสียงด้วยใจอันเต้นระทึกพร้อมทั้งคิดภาวนาบนบานให้ไอ้มั จ, จุราชเขี่ยวกางพละไปสะโดยเร็วเสียงแผ่นดินลั่นห่างลงไปเป็นลำดับอย่างแช่มช้าเยือกเย็นที่สุดสู่สัมผัสอันชำนาญเยี่ยมของบุญคำและระพินก็บอกได้ว่ามันลากลาตัวอันยาวเหยียดพ้นหน้าผาลงไปแล้ว กำลังบ่ายหน้าลงไปตามเนินป่าศักข้างล่างรพินกระซิบริมหูหญิงสาวผู้นั่งเบิกตาโพลงอยู่พยายามให้แน่สุดพยายามให้แน่ใจที่สุดนะมันอาจเป็นเสียงลวงอะไรก็ได้หลนพูดอย่างไม่ไว้วางใจอะไรทั้งนั้นคง้ไม่หรอกครับตัวมันใหญ่มากต่อเคลื่อนไหวเบายัางไงเราก็ได้ยินเสมอละออใจสักครู่นะ พอรู้สึกว่ามันห่างออกไปมากแล้วผมจะไต่ขึ้นไปสังเกตบนปากปล่องนั่นอีกครั้งคราวนี้เราก็รู้ชัดออกไปละว่ามันถอยไปจริงหรือเปล่าตัวมันใหญ่แล้วกระซูงแบบนั้นนะ่ะไม่มีทางจะไปแอบซุ่มลบอยู่ที่ไหนได้โดยเรามองไม่เห็นนะครับพักใหญ่ต่อมาบุญคาซึ่งเอาหูฟังกับพื้นดินอยู่ตลอดเวลาก็เงยหน้าขึ้นด้วยอาการอันกระปรี้กระเป่า ในแสงสว่างเรืองๆของดวงเดือนที่ทอดเงาลงมาจากปล่องเหนือสีสันไหลหินแกยิ้มร่าย่องเข้ามาหาทั้งสองไปแล้วนายไปจริงๆด้วยรู้สึกว่ามันจะเดินเจ็บสะบักสะบอมไม่น้อยเหมือนกันบอนจะลงถึงชายผา ด, ด้านล่างนี่บึงคำว่าได้ยินท่อนหางของมันกลิ้งเล่นลงมาถามันมีมากก็จริงแต่คงเป็นง่อยเดินไม่ได้ไปหลายแถวทีเดียว มนลากตัวของมันไปอาจไปกองเน่าอยู่ดวงอื่นก็ได้นายรพินไม่กล่าวคำใดเอาไฟฉายฮันเตอร์มัดกับผ้าเขามาคาบพุงแล้วค่อยๆไต่แง่หินขึ้นไปยังปากปล่องด้านบน ด, ดารินกรบบุญคำช่วยกันฉายไฟสองทางให้จากเบื้องล่างอึ่ยใจเดียวเขาก็ปรลุถึงช่องหูนั้นเอื้อมมือขึ้นไปเหนียวโคนไม้ที่ตัดไวขึ้นข้อ ลากตัวเองขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นเอาไฟใช้กัดส่องลงไปอย่างตีนผาและเนินป่าและใช้เนินป่าสักเบื้องล่างอย่างระมัดระวังครู่หนึ่งจึงไต่กลับลงมาไม่เห็นตัวแล้วมันลงไปทางป่าต้นพลิกด้านล่างที่เราหนีกันขึ้นมานายอยู่นี่นะบุญคําจะลงไปเอาปืนเอง ดาพรานเท่าบอกเร็วปรืออย่างลิงโลดขยับจะมุดเลอดปากโพรงออกไปแต่ดารินคว้าคอเสื้อไว้เดี๋ยวก่อนหล่อนร้องห้ามหันไปดูพรานใหญ่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะถึงแม้มันจะพระจากที่นี่ไปแล้วก็จริงแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวของมันละ่ะคงจะคุมเชิงซุ่มอยู่ในปา่าในป่าล่างใกล้ๆนี่เองถ้าพลัวไปใครจะรับรองได้ ว่ามันจะไม่แวงขึ้นมาอีกถึงมันจะแวงกลับขึ้นมาก็พอจะถอยเข้ามาหลบอยู่ในนี้ได้ทันแล้วครับจอมพรานตอบแทนคนของเขาจัดเตรียมตัวให้รัดกุมอืน้ันจุดสามห้าจิตเน็บเอวไว้อีกมือหนึ่งถือไฟฉายอีกมือหนึ่งคว้าหอกไม้ไรเฟิลของผมกับบุญคำทิ้งไว้ตรงตีนผาก ใ, ใกล้ๆนี่ หยุด44แมกนั่มที่คุณหญิงทำหล่นไว้อีกกระ บ, บอกนึง่งแล้วเราจะเอาขึ้นมาก่อนอะและ้วมันยังไงคุณจะลงไปกระบุนคำด้วยเหรอครับดารินเต็มไปด้วยความหวั่นกังวลทําไมไม่รอให้สว่างซะ ก, ก่อนแล้วค่อยลงไปเอาล่ะก่อนจะสว่างนะั่นอีกหลายชั่วโมงนะครับโรคคาดไม่ถูกว่าระยะเวลาระหว่างนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกปืนนั้เป็นหัวใจสําคัญที่สุดของเรานะครับถ้ามีโอกาสแม้แต่นิดเดียว เราต้องไปเอามาไว้คุณหญิงเราอยู่ที่นี่แล้วกันผมก็ บ, บุญคําจะลงไปเองระยะใกล้ๆแค่นี้เองทั้งนั้นฉันไปด้วยคนรับพินช ง, งักนิดหนึ่งแล้วพยักหน้าเอามือแตะแขนหล่อนดีเหมือนกันครับเราไม่ควรแยกห่างกันเลยแม้แต่ก้าวเดียวในเวลาเช่นนี้บุญคํางุดลอดออกจากปากโพรงล่วงหน้านาไปก่อนเป็นคนแรก ต่อมาก็เป็นดารินแะระพินติดตามออกมาเป็นคนหลังสุดทั้งสามถือไฟฉายประจำตัวไว้ในมือถวยกันส่องตรวจไปรอบๆ อ, อย่างระมัดระวังเพราะโผล่พ้นโพรงถ้ำที่หลบภัยออกมาก็สัมผัสกะลมเย็นกลางดึกและละอองน้ำค้างสะท้านเยือกเข้าไปถึงขั้วหัวใจยย่งในภาวะอันล่อแหลมต่ออันตรายซึ่งยังไม่สามารถจะคะเนได้ถูกว่าจะจู่โจมมาในรูปใดเช่นนี้ ขนลุกเกรยียวไปหมดดารินกระชับปืนสั้นจุดสองสองแมกน้ามไว้ในมือแน่นในขณะที่รัพพินใช้ไม้เสียมแหลมที่ถือติดออกมาแทนไม้ถอ่อค้ำยันไปตามพื้นที่อันลาดชันนั้นบุญคำค่อยๆย่องนำอ้อมเลาะโกดหินใหญ่ที่ขึ้นบังปากโพรงออกมาในเวลากลางคืนเช่นนี้เป็นการเสี่ยงอย่างยิ่งสำหรับภูมิประเทศอันเป็นหน้าผาสูงชันเช่นนี้ ไฟฟลทั้งสองกระบอกตกอยู่เบื้องล่างทั้งสมจะต้องไปลงไปโดยอาศัยแก่งแง่ของก้อนหินและลําต้นไม้ที่งอกขึ้นอยู่เป็นระยะและโดยระยะทางนี้หากเกิดเหตุฉุดเฉินที่จะต้องล่าถอยเข้าไปหลบอยู่ในโพรงถ้ำซึ่งจะต้องใช้ความรวดเร็วปีนกลับขึ้นมาอาจฟั้งพลาดลน่นลงไปได้จะมองเห็นอะไรได้ก็แต่เพียงไฟฉายในมือของแต่ละคนเท่านั้นแข็งจันข้างแรม ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มากนักนอกจากสาดให้มองเห็นอะไรเป็นเงาตะคุ่มรางๆและเกิดภาพลวงตาอยู่ทั่วไปบุญคำมาหยุดยืนอยู่ริมชานหินตอนหนึ่งกราดไฟสำรวจลงไปเบื้องล่างตรงตำแหน่งที่จำได้ว่าพรานใหญ่ทิ้งไรเฟิลทั้งสองกระบอกไว้ก่อนที่จะแผ่นหนีขึ้นมาอย่างบุดหวิดตรงหินก้อนนั้นใช่ไหมนายอืมใช่ตรงนั้นแหละเขาตอบเบาๆแล้วความรู้สึกก็บอกกับตนเองว่า มันอยู่ห่างลงไปไม่ใช่น้อยเลยอย่างน้อยกว่าจะลงไปถึงก็ต้องตายกันพอเหนื่อยขณะที่หนีมรุตยูขึ้นมานั้นเป็นการหนีเพื่อเอาชีวิตรอดและด้วยพลังงานส่วนพิเศษทั้งหมดของคนที่จวนตัวไม่ได้คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นจึงแทบไม่รู้สึกเลยว่าตนได้ตะเกียกตะกายขึ้นมาถึงไหนบัดนี้เมื่อมองย้อนกลับลงไปอีกครั้งยิงเพิ่งจะรู้ว่าระยะที่ปีหนีหลบภัยขึ้นมานั้น สูงจากระดับพื้นเบื้องล่างขึ้นมาเกินค่าทีเดียวโอ้โหมันต่ำกว่าระดับที่เรายืนอยู่นี่ลงไปไม่ใช่น้อยทีเดียวนะดารินครางออกมาแต่ก็ไม่เหลือบ่ากราแรงอะไรนักนะเห็นอยู่แค่นี้เองอาจสีเวลาบ้างก็ตอนที่ต้องค่อยๆไต่ลงไปเท่านั้นระวังหน่อยนะครับคุณหญิงมันมืดระวังจะเหยียบหินพลาดทางชันมากซะด้วยสิ ยิงสาวฉายไฟยืงไปทางอีกด้านหนึ่งหางลงไปเพียงไม่เกินสามสิบเมตรอันเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่หลอนยิงสกัดตะขาบใหญ่ตัวนั้นด้วยปืนสั้นก่อนที่จะระกายขึ้นมาหลบอยู่ในโพรงถ้าฉันว่าเราไปงมหาปืนสั้นของคุณที่ฉันทำตกอยู่ตรงนั้นก่อนดีกว่าตรงลานหินใกล้ๆนี่เองแล้วค่อยลงไปที่ตีนผาดีเหมือนกันครับทางเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่ยืองออกไปหน่อยเดียวเท่านั้น พานใหญ่พยักหน้าบุญคำก็นำไตเลาะไปตามแง่หินมุ่งไปยังบริเวณที่นายหญิงชี้บอกเป็นอันดับแรกทั้งสามค่อยๆพยุงตัวไตเรียงเดี่ยวตามกันลงมาได้เพียงชั่วไม่กี่อึดใจก็ต้องพากันหยุดชะงักลงอย่างกะทันหันอีกครั้งรพินผู้ไตาตามลงมาเป็นคนสุดท้ายเอื้อมมือไปจับไหลดารินไว้และร้องเรียกบุญคำเบาๆเหมือนจะเตือนให้แกหยุดการเคลื่อนไหว เสียงคล้ายๆใครๆๆเอากระด้งหรือผ้าใบขนาดใหญ่ขึ้นไปกระพือลมอยู่บนอากาศแต่มีจังหวะรัวทีเร็วดังมาจากยอดเขาเบื้องบนยังไม่ทันที่ใครจะเอ่ยพูดคำใดกันออกมาเงาดำก็ตัดผัดแสงจันทร์ลุกรูไปในระยะสูงท่อทาบลงมายังหน้าผาและยอดป่าเบื้องล่างพร้อมกับเสียงร้องแหลมแวกมาในความเงียบฟังแล้วเย็นก็ไปถึงไขสันหลังถอบุญคำ กลับที่เก่าเร็วที่สุดแผ่นใหญ่บอกเร็วหรือกระชากแขนดารินรั้งให้ไตกลับคืนย้อนขึ้นไปทางเดิมหญิงสาวมีประสาทสั่งงานรวดเร็วทันการดีเยียบหลอนปฏิบัติตามคําสั่งของเขาทันทีโดยไม่เสียเวลาแมา้แต่นิดหนึ่งแต่ความรีบร้อนตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันแทบจะทําให้หลอนเสียหลักพลัดกลิ้งลงไปแล้วพินคว้าตัวไว้ได้ทันชุนลมุลทุรัก์ทุเลกันอยู่ตรงนั้นเศษดินและหินก้อนเล็กๆ เกิดจากการเหยียบถลายลื่นถ้าล่มร่วงพรูลงไปเบื้องล่างเสียงบุญคําร้องกล้องมาว่านายสองคนรีบขึ้นไปก่อนบุญคาจะลงเรเปิดได้ได้จะถึงอยู่แล้วใกล้ๆนี่เองฉันบอกให้ถอยขึ้นมาเร็วไม่ทันแล้วเสียงของรพินเกือบจะเป็นตะวดัดตาเท่าก็เปลี่ยนทิศ ต, ตะกายตามหลังเขากับดารินไป ย, ย้อนกลับขึ้นมาโดยเร็วจีจอมพานส่งหญิงสาวให้ล่วงหน้าขึ้นไปก่อน พร้อมกับร้องเร่งตื่นละล่ํำละลักดารินทําไฟฉายประจํามือพลัดหลุดมือไปอีกด้วยความรีบร้อนแต่หลอนไม่พะวงกับมันให้สีเวลาใช้มือและเท้าให้เป็นประโยชน์ในการปรีนไปพาตัวกลับขึ้นไปอย่างไม่คิดชีวิตมันวกกลับมาแล้วนายระวังบุญคำตะโกนโวยวายลั่นมาจากเบื้องหลังกระพินโหนตัวตามขึ้นมาทันน้องสาวนายจ้างกดศีรษะให้ราบลงกับพื้นกระชากปืนสั้นออกจากเอว มันเป็นเวลาเดียวกับที่เสียงปีขนาดใหญ่ของเจ้าสัตว์ปีสตัตว์อันเป็นคู่ปรับเก่ากระพือตัดอากาศโฉบทลาดิ่งลงมาราวกลมกรดมนุษย์ทั้งสามคนที่กำลังไต่อยู่ยังหน้าผาชันเป็นเป้าหมายโจมตีอันถนัดถนีที่สุดของมันไอค้างขาวสูบเลือดโฉบทลาตามติดตัวมาไม่ผิดอะไรกับเครื่องบินขับไลไอพ่นพร้อมด้วยเสียงร้องอันเขย่าวขวัญของมันจอมพรานไม่มีเวลาแม้แต่จะฉายไฟ ในสถานการณ์ที่ขับขันเช่นนั้นเขาเงยขึ้นก็เห็นเงาดำตัดแสงจันทร์วูบลงมาไม่ผิดอะไรกับเงาปีศาจจุดสามหเจ็ดแมกนําในมืออันมีกระสุนจำกัดอยู่เพียงไม่กี่นัดก็แผดระเบิดกึกกล้องสวนออกไปในความเงียบสงัดของราตรีกลางตาใหญ่เช่นนี้มันดังเหมือนกับว่าจะแหกโลกออกทั้งโลกผิดหรือถูกไม่ทราบได้แต่มันเบนหัวขึ้นในทันทีนั้น ก่อนที่จะพุ่งลงมาถึงตัวพลิกตลบบินสูงไประดับขนานความชันของหน้าผาขึ้นไปเป็นเส้นดิง9ก้าสิบองศาล้มปีกที่โฉบถลาลงมาเป่ากอไม้เล็กและฝุ่นดินปลิวกระจายว่อนฉุนกึกไปด้วยสาบสางแทบจะสรุปแล้วอ้อมย้อนกลับไปทางยอดป่าสักเบื้องล่างอีกครั้งในลักษณะบินว่อนเสียงปีกดังผึบผับอื้ออึงไปหมด ระพินไม่ยอมให้เสียเวลาแม้แต่อึดใจเดียวเขาฉุดแขนหญิงสาวออกไตต่อไปเสียงบุญคำสบทพรุษสวางเอ็ดอึงชูกำปั้นราต่เลือดตาต า, ตาพรานเท่าก็ร้องเสียงหลงหดหัวก็ไปซุกลบอยู่ใต้ซอกหินืม่อมันว๊กกขาโจมตีซ้ำอย่างดุเดือดในลักษณะการเดิมชนิติแท้ใจไม่ยอมเปิดโอกาสให้ฝ่ายมนุษย์ตั้งตัวติดด้วยอัตราบินที่ไม่ต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระพินกัดฟันแน่นเขาสาดกระสุนสกัดมันอีกนัดหนึ่งเมื่อคะเนนวมันโชวเข้ามาในรัศมีที่ใกล้ที่สุดแต่กายไฟแลบแดงว่าบในความมืดแม้จะเป็นการยิงที่ปราศจากผลเพราะอัตราเคลื่อนที่อันชวัดเวียนเร็วจัดของเป้าหมายและการที่มองเห็นไม่ถนัดก็ตามทีแต่ทุกครั้งที่กำปันาตของกระสุนระเบิดสวนออกไปพร้อมกับกลิ่นไอดินปืนอันฉุนกึกทําให้มันต้องชะแลบลบวูบว่า เสียจังหวะไปทุกครั้งไม่อาจที่จะปรีเข้าถึงตัวได้เหมือนจะเคยรู้รสชาติพิษสงของลูกปืนมาดีแล้วขณะเดียวกันก็แผดเสียงร้องสะเทือนก้องไปทั้งลูกเขาอย่างเกลี้ยกราดดุร้ายจังหวะที่มันบินว่อนเพื่อหาโอกาสโฉบซ้ำลงมานี่เองทั้งสามก็กระหืนกระหอบขึ้นมาถึงลานหินบริเวณปากโพรงถ้ำอย่างแข่งกับเวลา ครใหญ่ร่งเร่งให้ดารินกับบุญคำรีบมุดหลบเข้าไปในโพรงหลบภัยโดยเร็วตนเองยืนคุ้มเชิงดูท่าทีอยู่ที่โคนหินใหญ่ที่งอกสกัดอยู่ปากโพรงเขาเพิ่งมีโอกาสตั้งหลักได้ถนัดเป็นครั้งแรกเพราะระดับที่ยืนอยู่เป็นพื้นราบกว้างขวางพอที่จะเคลื่อนไหวย้ายตัวเองได้พอสมควรมีหน้าซ้ายังมีก้อนหินใหญ่เป็นที่พอที่จะอาศัยหลบกบาบังได้ท่ามกลางแสงเดือนอันรุรุ เขาสังเกตเห็นแต่เงาดำทำมือที่เคลื่อนไหวอยู่ไปมาบนอากาศสูงเหนือศีสะบางขณะก็โชบผ่านกลางแสงเดือนทอดเป็นเงาผ่านบริเวณที่ยืนหลบอยู่ไปมาอย่างรวดเร็วบางขณะก็บังเหลี่ยมเขาด้านบนลับหายไปชั่วอึดใจก็โผล่กลับมาเห็นอีกแล้วอ้อมไปทางยอดป่าสักเบื้องล่างด้วยลักษณะลำพองทยานใจในความเป็นเจ้าราตรีของมัน กพินคุมสติมั่นกำปืนสั้นแน่นแทบจะบทด้ามให้แลกย่อยยับไปกับมือกระสุนเหลือติดอยู่ในรังเพลิงอีกสองนัดความหวังอันน้อยนิดของเขาก็คือจังหวะใดจังหวะหนึ่งที่มันโฉบลงมาใกล้จนอยู่ในระยะเผาขนเขาอาจส่งกระสุนก็ฝังบริเวณใดรบริเวณหนึ่งของร่างกายมันได้ระหว่างที่หมุนตัวคว้าง คอยหันหน้าเผชิญตามทิศทางบินโชวะเหวียนเป็นวงกลมของเจ้าค้างคาวผีดารินกบุญคำก็ร้องเร่งให้ถอยกลับเข้าไปในโพรงถ้ำที่บังคับด้วยน้ำเสียงอันร้อนรนคนทั้งสองยังไม่ได้ผ่านเข้าไปในช่องหลบภัยนั้นหากจะยืนอโหร อ, อยเขาอยู่ปากทางเข้าและไม่ยอมเคลื่อนไหวอย่างใดทั้งสิง้นไม่ว่าเขาจะออกคาสั่งให้ลบเข้าไปก่อนเช่นไรชั่วพริบตาต่อมานั่นเอง ระหว่างการภาวะาพะวังของฝ่ายมนุษย์ลมเพชรฉหึงจากเบื้องบนก็พัดรูบลงมาอีกครั้งด้วยอัตราความเร็วสูงสุดแห่งปีกอันทรงพลังของมันหรงดิ่งเข้ามาทางด้านหลังของเขาระพินเพิ่งจะมารู้สึกตัวก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงผู้ร่วมเหตุการณ์ทั้งสองตะโกนบอกแซ่ประสานกันฟังไม่ได้สับขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงกระสุนจสองแมกนัม ของดารินแพทแลมขึ้น ที่เขาจะทำได้อย่างเดียวในเสี้ยววินาทีแห่งความคับขันขีดสุดในขณะนี้ก็คือเอามือทั้งสองประสานปิดท้ายถอยไวแล้วทิ้งตัวคว่มหน้าลงกับพื้นปล่อยปืนและไฟฉายให้หลุดกระเด็นจากมือไปสัมผัสแรกในระหว่างที่ร่างกายล้มลงไปก่อนจะถึงพื้นรู้สึกเหมือนกับว่ามีตะขอเหล็กอันแหลมคมเกี่ยวเสื้อด้านหลังกระชากขาดคว้าออกไปอย่างรุนแรง แล้วก็มีเสียงดังพับสนั่นจากส่วนใดส่วนหนึ่งของปีกตีกระทบยอดหินเบื้องหลังจนแผ่นดินไวหวขึ้นลมกลุ่มหนึ่งพัดผ่านเลยศีรษะไปโดยแรงพระหนึ่งจะเป่าร่างกายให้ปลิวพงะตามติดออกไปด้วยหูของจอมพลลั่นอื้อไปหมดแทบจะไม่ได้ ส, สับประสำเนียงใดๆในขณะนี้ต่อมาเขารู้สึกว่าบุญคาวิ่งเข้ามากระชากไหลแล้วลากถูลูถู ก, ก, งกลงตรงไปที่ปากโพรงถ้าที่นั่น เห็นร่างๆว่าดารินเต้นเราอยู่ก่อนแล้วมีเสียงปืนระเบิดกึกกล้องขึ้นอีกสองนัดซ้อนแล้วร่างของเขาก็ถูกฉุดล่าเข้าไปทางปากโพรงถ้ำโดยแรงของสองคนนายเป็นยังไงบ้างนายในสุดปราสาทอันลั่นกริง่งสะดับเสียงร้องตะโกนกรอกช่องหูของบุญคำพร้อมกับใครอีกคนนึงก็เขย่าตัวเขาโดยแรงระพินสะบัดหน้าลืมตาขึ้นและพยุงกายนั่งไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง แต่เสื้อนายขาดพร้อมกับเสียงละล่ำละลักของบุญคำฝ่ามืออันสันเขาของดารินก็ลูบไปที่แผ่นหลังเขาเสียงห่อนเร็วปรือร้องขอไฟฉายจากบุญคำกดเขาให้กลมตามลงเอาไฟฉายส่องตรวจอย่างเร่าร้อนแล้วอุทานออกมาอย่างยินดีเชียวผิวไปนิดเดียวเท่านั้นไม่มีบาดแผละระพินยืดตัวขึ้นเอาหลังพิงผนังหินนั่งหอบหายใจยาวๆลืมตาโพงในความมืด ดาลิมกับบุญคำก็หอบจนตัวโยนเพราะการออกแรงอย่างชุนลมุนต่างนั่งสงบนิ่งเหมือนถูกสะกดกันอยู่ชั่วขณะหนึง่งร่างกายและประสาททุกส่วนราวกับถูกอะไรมาขึงยึดไว้หมดเพราะความตื่นเต้นงงงันต่อเหตุการณ์ เสียงกระพือปีกบินของมันยังดังวนเวียนอยู่เช่นนั้นแต่พลังที่ว่าตัดอากาศดูจะอ่อนเบาลงคล้ายๆจะชะลอร่อนแช่มช้าวนอยู่รอบๆก้อนหินปากโพรมและเหนือปากปล่องขึ้นไปเพื่อจะหาทางเล็ดลอดเข้าให้ถึงตัวเหยื่อซึ่งมุดเข้าไปหลบอยู่ในโพรงแคบๆให้จงได้ทั้งสามสะกดกลั้นลมหายใจคอยจับฟังเสียงลมจากปีกอันใหญ่โตนั้นด้วยใจอันเต้นไม่เป็นสัน บรรยากาศภายในโพรงค้นหนักไปหมดต่อมาก็มีเสียงร่อนทลาลงมาเกาะพุ่มไม้บริเวณใกล้เคียงกับปากถ้ำไหวโยวบยากกิ่งไม้เล็กๆบางกิ่งหักได้ยินอย่างถนัดแล้วก็มีเสียงทยานขึ้นบินอีกย้ายไปเกาะก้อนหินเคลื่อนตัวคลานอย่างช่ชางช้มันบินและลงเกาะย้ายที่อยู่หลายครั้งจากนั้นก็เงียบเสียงสงบไปเต็มไปด้วยปริศนา ภายหลังจากมีเสียงเกาะลงครั้งสุดท้ายคลานเดี่ยอยู่บนก้อนหินเหนือหัวเรานี่เองนายบุญคำกระซิบขึ้นรพินกับดารินเหลือตาขึ้นไปบนปากปล่องเหนือสีสักมีเสียงของสิงห์ยนยุ่นหนักๆเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบาอยู่บนนั้น ใ, นใจต่อมานั่นเองเงาธรรมมืดก็เคลื่อนเข้ามาบังช่องโวอันมีแสงเดือนส่องลอดลงมาเป็นลำในขณะนี้ ราวกับใครเอาอะไรมาปิดช่องนั้นไว้ไฟฉายจากบุญคำอันเหลืออยู่เพียงกระบอกเดียวก็พุ่งปราดขึ้นไปในทันทีนั้นกระทบกับดวงตาราวกับประกายเพชรที่สว่างว่าตอบลงมาพร้อมกับคมเขี้ยวเรียวแหลมขาวงองอันแพลมออกมาจากปากในลักษณะของใบหน้าที่ดูคล้ายสุนัขพันุ์บ็อกเซอร์แต่ใหญ่ขนาดหน้ากระถิงเพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้น ที่ทั้งสามสายตามองเห็นเสียงพรุบก็ดังสะเทือนขึ้นจากการผลวชยานพละบินดารินลั่นปืนสั้นในมือทันทีแต่มันช้าไปซะแล้วเสียงระเบิดเปรียงดังขึ้นภายหลังจากที่มันพละผลออกจากปล่องซึ่งล่อหัวลงมาดูหัวกระสุนกระทลแงหินแฉลบเฟี้ยวขึ้นไปบนอากาศมันมันพยายามจะลงมาทางช่องข้างบนนั่นหญิงสาวพูดเสียงสัน่น มันลงมาไม่ได้หรอกครับตัวมันใหญ่กว่าช่องนั่นมากเสียงบุญคำสะบดสาบแช่งเงึมงำอยู่ไม่ขาดปากยังกะมันมาเปลี่ยนเวนกับไอต้ตะขาดนั่นคอยเฝ้าเรายังงั้นเลยนายกาบใดที่เรายังอยู่ในนี้มันทำอะไรเราไม่ได้แน่แล้วเขาก็หันไปทางหญิงสาวผู้นั่งอกสันขวัญเต้นอยู่บอกด้วยน้ำเสียงเรียบๆ เ, เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นว่า อย่าไปคอยพะวงสนใจอยู่กับมันเลยครับคุณหญิงยังลงไปเอาปืนขึ้นมาไม่ได้ก็นอนกันดีกว่าใกล้ใกล้สว่างก็ผลักไปเองไอส้สว์ประเภทค้างคาวนะ่ะมันทนอยู่จนแสงตะวันขึ้นไม่ได้หรอกตอนนี้เราไม่มีอะไรจะไปต่อสู้มันเลยปืนลูกก ร, ระบอกนั้นของคุณหญิงช่วยอะไรเราไม่ได้หรอก เงียบย่างกลายเข้ามาครอบคลุมอีกครั้งภายหลังจากที่มันทยานขึ้นบินทันทีที่บุญคำส่องไฟไปกระทบก็มีเสียงกระพือปีกวนเวียนอยู่ชั่วอึดใจหนึ่งจากนั้นก็เงียบหายไปไม่อาจกำหนดได้แน่ว่ามันบินพระห่างออกไปแล้วหรือว่าทลาลงเกาะย้ายที่อย่างใดอีกแต่นั่นระพินไม่สนใจจะคานึงคิดอีกแล้วตราบใดก็ตาม ที่เขาไม่คิดจะย่างกลายออกไปจากที่หลบภัยแห่งนี้ทั้งหมดจำต้องขังตัวเองอยู่ในซอกโพรงอันจำกัดนั้นต่อไปในลักษณะอับจนความหวังความหวังอยู่แต่เพียงการรอคอยให้ตะวันขึ้นเท่านั้นเวลาจะผ่านไปอีกเท่าใดก็สุดที่จะคเนได้ในอาการหลับหลับตื่นตื่นนั้นระพินสะดุง้งลืมตาขึ้นเพราะถูกบุญคำขย่าที่หัวเขายางแรง ขณะนั้นดารินพลอยหลับไปแล้วด้วยความอ่อน อ, อกอ่อนใจก่อนที่เขาจะขยับปากเอ่ยถามคำใดสายตาก็บอกความชัดยอมพลันพระจันทร์ครึ่งดวงบ่ายคล้อยไปทางด้านตะวันตกทอดลําแสงลงมายังปากโพรงซึ่งห่างออกไปเพียงไม่กี่วาเบื้องหนะ้าเงาของอะไรชนิดหนึ่งปรากฏทาพลงกับพื้นหินราบเรียบปากโพรงเบื้องนอก แหลเห็นอย่างกระจางชัดที่สุดจอมพรานจ้องรยดวงตาอันเบอร์กว้างทายแบบทะลุคุกกล้าที่จะสาบานให้ตนเองตกนรกตายดับไปน้ำบัดนี้ก็ได้ถ้าหากว่าเงานั้นไม่ใช่เป็นเงาของสตรีนางหนึ่งที่ยืนสงบนิ่งอยู่เบื้องนอกรูปทรงสูงระหงอรชรเรือนผมยาวสยายเคลียรลทุกส่วนสัตว์ของเรือนร่างนั้น แม้จะเห็นเพียงเงาก็ตามแต่ก็ปรากฏส่วนสัตว์อันงามรับกันรากับภาพตั้นของปฏิมากรชัน้นเลิศบนศีสษะประดับด้วยอาพ์ชนิดหนึ่งลักษณะคลายมงกุฎทอดบนอันประกอบด้วยไหลาลาดงามและสวงที่เต็งตั้งชูชันห่อหุ้มด้วยเครื่องหม่มรัดรูปครึ่งหลางของลำตัวเป็นภูษาทรงกรอมข้อเท้า คลายคเครื่องแต่งกายของนางละครรำชายสบยถูกลมดึกเป่าปลิวสวยัย <c oughs> ระพินไพรวันยกมือขึ้นขยี้ตาครั้งแล้วครั้งเล่าภาพที่สายตาเห็นยังคงที่อยู่เช่นนั้นขณะเดียวกันบุญคำก็เขย่าขาเขาอยู่พรวดพวดด้วยมืออันเย็นเฉียบปานแช่น้ำแข็งของแกปากสันผับๆขยับเหมือนจะอ้าบอกอะไร แต่ก็ไม่มีเสียงใดๆจะลอดผ่านลำคอของตาพรานเท่าออกมาได้จอมพรานขยับตัวอย่างแผ่วเบาที่สุดบีบข้อมือบุญคำโดยเร็วเป็นความหมายบอกให้ทราบว่าเขารู้สึกตัวและเห็นภาพที่แกเห็นแล้วในทันทีที่เขาเริ่มการเคลื่อนไหวภาพเงานั้นก็ขยับขยื่นไหวไกายทอดลำแขนอันกลมกลึงเรียวงามอ่อนช้อยทั้งสองออกมาเบื้องหน้า ประหนึ่งว่าจะเรียกร้องเชิญชวนฉะนั้น